วันนี้เป็นวันพระวันธรรมะสวนวันฟังธรรมความจริงสมัยนี้เราฟังธรรมได้ทุกวันทุกเวลาเพราะเรามีสื่อต่างๆเช่นมีหนังสือกานอ่านหนังสือก็เป็นเหมือนกับการฟังธรรม หรือมีการถ่ายทอดสดตามสื่อเช่นเคเบิลทีวีตอนนี้บ้านอำเภอก็ช่อง8มีการถ่ายทอดสดถ้านาเกลือนาจอมเทียนก็มีช่องหนึ่งถ่ายทอดสดอยู่ช่องหนึ่งนาเกลือกับนาจอมเทียน ช่อง8บ้านอำเภอเคเบิลนอกจากนั้นก็ยังมีทางอินเทอร์เนต็ตทางเฟซบุ๊กทางยูทูบดูได้ทั้งสดดูได้ทั้งย้อนหลังเดีย๋ยวนี้การศึกษาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าทำได้ตลอด24ชั่วโมงไม่เหมือนในสมัยพุทธกาลที่ จะศึกษาธรรมะจะฟังเทศฟังธรรมต้องไปวัดกันจะไปได้ก็ต้องไปวันที่ว่างจากภารกิจการงานฮเช่นวันหยุดทํางานสมัยพุทธกาลจึงมีการกําหนดวันหยุดทํางานให้เป็นวันไปวัดไปฟังเทศฟังธรรมที่เราถือตามกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ สมัยก่อนต้องรอวันพระถ้าอยากจะฟังธรรมอยากจะศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ต้องรอวันพระวันที่หยุดทำงานแล้วก็ไปวัดเพราะสมัยนะั้นไม่มีสื่ออย่างที่เรามีอย่างสมัยนี้จะฟังธรรมก็ต้องฟังจากพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงฆ์ ก็ต้องไปที่วัดถึงจะได้ยินได้ฟังธรรมวันฟังธรรมจึงมีอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเท่านั้นสมัยนี้เรามีวันฟังธรรมทุกวันทุกเวลา อ, อยากจะฟังธรรมทางด้านไหนจากครูบาอาจารย์องค์ไหนสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา ยุคนี้จึงถือว่าเป็นยุคทองของการศึกษาธรรมะการศึกษาธรรมะนี่มีคุณค่ามากเพราะเราจะได้เรียนรู้วิธีการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องที่จะนำมาเพียงแต่ความสุขความจเจริญเพียงอย่างเดียวจะไม่มีความทุกข์ความเสียหายต่างๆ ตา ม, มาถ้าเรารู้จักวิธีดำเนินชีวิตจะรู้ได้ก็ต้องศึกษาพราะธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ายิ่งศึกษามากยิ่งรู้มากยิ่งทําให้มีความสุขความเจริญมากศึกษาน้อยรู้น้อยก็มีความเจริญมีความสุขน้อย มีความทุกข์มีความเสียหายมากชีวิตของเราเกิดจากการกระทําของเราการความสุขความเจริญหรือความทุกข์ความเสียหายต่างๆไม่ได้เกิดจากใครหรอกเกิดจากการกระทําของเราการกระทาทางกายทางวาจาและทางใจที่เราไม่รู้ว่าทําอย่างไร ถึงทําให้เกิดความสุขทําอย่างไรถึงทําให้ถึงทําให้ไม่เกิดความทุกข์เราทําแบบไม่รู้เรื่องทําไปแล้วก็เกิดสุขบ้างเกิดทุกข์บ้างเพราะเราเป็นเหมือนคนตาบอดทําแบบผิดผิดถูกถูกถ้าทําถูกก็เกิดความสุขขึ้นมา ถ้าทำผิดก็เกิดความทุกขขึ้นมาเพราะเราไม่ได้ศึกษาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองถ้าเราได้ศึกษาธรรมะคำสอนเราก็จะเป็นเหมือนคนตาดีคนตาดีก็จะรู้ว่าอะไรเป็นอย่างไรตรงไหนเป็นทุกข์ก็ไม่ไปตรงไหนเป็นสุขก็ไปไปทางที่เป็นสุข ทางที่เป็นทุกข์ก็ไม่ไปนี่คือทำไมเราจึงมีวันพระวันธรรมมัสสวานณะเป็นวันที่ให้ชาวพุทธเราได้มาศึกษาวิธีเป็นชาวพุทธที่แท้จริงชาวพุทธที่แท้จริงนี้ต้องรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราทำอะไรสอนให้เราละอะไร ถ้าเป็นชาวพุทธต้อไม่รู้จากคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นชาวพุทธแต่ชื่อแต่ไม่ใช่ตัวตัวไม่ได้เป็นพุทธมีแต่ชื่อที่เป็นพุทธตัวไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรบ้างและไม่ได้กระทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เลยไม่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่จะ ให้ประโยชน์ที่สูงสุดแก่ผู้ที่มาเคารพนับถือมาเชื่อฟังคำสอนมีพระพุทธศาสนาเพียงศาสญาเดียวในโลกนี้ที่จะสอนให้ผู้ที่นับถือปฏิบัติให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงจะสอนให้กำจัดความทุกข์ต่างๆ ที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปจะสอนให้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดที่เราได้ทํากันมาอย่างโชคโชนอย่างนับไม่ถ้วนเรากลับมาเกิดแก่เจ็บตายนี้ไม่รู้กี่แสนล้านครั้งแล้วและจะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปอยู่เรื่อยๆถ้าไม่มีพระพุทธศาสนามาสอนมาบอกวิธี ที่จะทำให้เราไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปให้เราอยู่เฉยๆอย่างมีความสุขอยู่แบบไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายอยู่แบบไม่มีร่างกายดีกว่าอยู่แบบมีร่างกายจะรับประโยชน์เหล่านี้ได้ก็ต้องศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องฟังเทศฟังธรรม นี่แหละเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาขั้นที่หนึ่งข้อที่หนึ่งก็คือการศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาแล้วจะได้ประโยชน์จะได้รู้ว่าต้องทำอะไรจะรู้ว่าต้องละอะไรเมื่อรู้แล้วนำเอาไปปฏิบัตินี่คือ ข้อสำคัญข้อที่สองของพระพุทธศาสนาคือพอได้ศึกษาได้รู้แล้วว่าต้องทำอะไรบ้างต้องหยุดอะไรบ้างก็ต้องนำเอาไปกระทำถ้ารู้เฉยๆไม่เอาไปปฏิบัติก็จะไม่เกิดผลขึ้นมาเหมือนรู้จักวิธีปลูกข้าวแต่ไม่ไปปลูกข้าวต้นข้าวก็ไม่มี รวงข้าวก็ไม่ออกมาถ้าอยากได้ข้าวต้องรู้จักวิธีปลูกข้าวพอรู้จักวิธีก็ไปปลูกข้าวกันพอปลูกข้าวเดี๋ยวไม่นานต้นข้าวก็งอกขึ้นมารวงข้าวก็งอกออกมาก็เก็บเกี่ยวข้าวนำเอาไปรับประทานเอาไปขายได้อันนี้ก็เช่นเดียวกัน ถ้าเรียนรู้วิธีที่จะกําจัดความทุกข์ต่างๆรู้วิธีที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้านําไม่ไม่นําเอาไปปฏิบัติก็จะไม่เกิดผลขึ้นมารู้เพียงอย่างเดียวไม่พอที่จะทําให้เกิดผลแต่ถ้าไม่รู้แล้วไปปฏิบัติก็ไม่เกิดผลอีกเช่นเดียวกัน ถ้าไม่ศึกษาไม่ฟังเทศฟังธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะไปกำจัดความทุกข์ด้วยตนเองจะจะไม่มีวันกำจัดมันได้จะไปหยุดการเวียนว่ายตายเกิดก็จะไม่มีวันหยุดมันได้สมัยก่อนพระพุทธเจ้าจะมาตัดสรุมาสอนชาวโลกให้รู้จักวิธีดับความทุกข์ต่างๆ ยุติการเวียนว่ายตายเกิดก็มีการพยายามที่จะหาวิธีต่างๆมาดับความทุกข์กันเช่นวิธีที่พวกเราใช้กันอยู่ก็เป็นวิธีหนึ่งวิธีดับความทุกข์ของพวกเราเป็นอย่างไรก็ดับความทุกข์ด้วยการหาความสุขมาให้เรานั่นเองเวลาเราเกิดความไม่สบายใจอยู่บ้านแล้วรู้สึกหงุดหงิด เศ้าซ้อยง้อยเงาว้วาเวเราก็ออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสมาเสกกันไปหารูปเสียงกลิ่นรสมาเสกเพื่อที่มาดับความไม่สบายใจเราจึงต้องมีทีวีไว้ดูมีเครื่องเล่นเสียงไว้ฟังเพลงมีอะไรต่างๆที่เราสามารถที่จะใช้ตาหูจมูกลิ้นกายของเรา เสพสัมผัสพอได้เสพสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะฏต่างๆเราก็เกิดความสุขขึ้นมาความทุกข์ที่มีอยู่ในใจก็หายไปแต่หายไปชั่วคราวเดี๋ยวก็เกิดความทุกข์ใหม่ขึ้นมาเราก็ไม่รู้ว่าสาเหตุที่ทำให้อะไรทำให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาอยู่เฉยๆก็ไม่สบายใจขึ้นมา เมื่อวานนี้ยังสบายอยู่เมื่อวานนี้ไปเที่ยวเมื่อวานนี้ได้ไปทําอะไรที่ชอบใจก็มีความสุขสบายใจพอวันนี้ตื่นขึ้ น, นมาเอา้าหายไปไหนหมดล้วความสุขที่ได้จากเมื่อวานนี้วันนี้ความไม่สบายใจอันใหม่เกิดขึ้นมาอีกแล้วแสดงว่าวิธีที่เราใช้ดับความไม่สบายใจความทุกข์ใจด้วยการหาความสุข ทางตาหูจามูกลิ้นกายมาหลับมาดับนี่มันดับได้ชั่วคราวเราก็เลยต้องกลับไปทำใหม่แบบเดิมเมื่อวานนี้เคยไปเที่ยวแล้วสบายใจวันนี้ก็ต้องออกไปเที่ยวต่อถึงจะสบายใจเมื่อวานนี้ได้ดูทีวีแล้วสบายใจวันนี้ก็ต้องเปิดดูทีวีแล้วสบายใจเมื่อวานนี้ได้ดื่มเครื่องดื่ม ที่ชอบแล้วสบายใจวันนี้ก็ต้องดด่มเครื่องเด่มที่ชอบนทุกวันเนี่ยเราหาสิ่งต่างๆมาทำให้ใจเราสบายแต่ถ้าเราไม่ได้หามาถ้าไม่มีสิ่งต่างๆให้เรามาเสพมาสัมผัสความไม่สบายใจก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่แสดงว่าวิธีที่เราใช้นี้ กำจัดความไม่สบายใจได้ชั่วคราวเท่านั้นแต่ไม่สามารถกำจัดมันได้อย่างถาวรเดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาเรื่อยเดี๋ยวก็ไม่สบายใจกับเรื่องนั้นเดี๋ยวไม่สบายใจกับเรื่องนี้ก็ต้องไปทำอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อให้มันสบายใจพอมันสบายใจก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เป็นใหม่อีกแล้วมีเรื่องใหม่ให้ไม่สบายใจ อ, อีกแล้ว อ น, นี้คือวิธีที่ชาวโลกใช้ในการดับความไม่สบายใจแต่ทำได้เพียงชั่วคราวแต่ไม่สามารถกําจัดมันให้หายขาดไม่ให้มันขวนกลับมาได้อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็พวกที่เป็นพวกที่ชอบทรมารร่างกายของตนเองพวกที่ชอบเอาของแลมของคมมาทุ่ม มาทิ่มแทงปากบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างแก้มบ้างหรือทรมานกายด้วยวิธีการต่างๆยืนนานๆในท่าเดียวหรือนั่งบนที่นั่งที่มีของแหลมของคมให้มันเจ็บตามร่างกายหาของแหลมของคมมาขูดมาขีดร่างกายให้มันเจ็บให้มันทรมาน คิดว่าทำอย่างนี้แล้วความไม่สบายใจจะหายไปพวงนี้ก็มันก็หายชั่วคาวเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่พระพุทธเจ้าทรงคดพบอีกวิธีหนึ่งวิธีที่จะกาจัดความไม่สบายใจแบบถาวรเป็นวิธีที่อยู่ตรงกลางระหว่างสองวิธีนี้เกิดเป็นวิธีที่ ไม่ได้ให้หาความสุขมาดับแล้วก็ไม่ได้เป็นวิธีให้หาความทรมานร่างกายต่างวิธีต่างๆมาดับความไม่สบายใจวิธีของพระพุทธเจ้านี้เป็นวิธีที่เรียกว่าอยู่กรงกลางระหว่างสองวิธีนี้ก็คือไ ม, ไม่ให้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมาดับไม่ให้ไปทรมานร่างกายโดยไม่จำเป็น ให้มาทรมานใจใจทพราะความไม่สบายใจอยู่ที่ใจพระพุทธเจ้าทรงค้นพบผู้ที่มาสร้างความไม่สบายใจคือกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากได้อยากมีอยากเป็นความอยากได้รูปเสียงกลิน่นนสนมาเสกมาดับความทุกข์นี่คือตัวที่ต้องทำลาย ตัวที่ต้องกําจัดไม่มีใครรู้ว่าต้นเหตุของความไม่สบายใจของพวกเราเกิดจากอะไรเราจึงไม่สามารถกําจัดความไม่สบายใจให้มันหายไปได้อย่างถาวรเราจึงถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาส่งค้นพบต้นเหตุของความไม่สบายใจของพวกเราว่าเกิดจากความอยาก ได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เองความอยากมีอยากเป็นอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากร่าอยากรวยอยากมีอายุยืนยาวนานอยากมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงอยากไม่แก่อยากบานไม่รู้โรยอยากสวยไม่ซาง อันนี้คือความอยากที่ทำให้พวกเราไม่สบายใจเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่เป็นไปตามที่เราอยากนั่นเองอยากให้สวยไม่สางเดี๋ยวมันก็ต้องสงออางร่างกายมันเป็นของไม่เที่ยงออมันมีเจริญแล้วมันก็ต้องมีเสื่อมเออข้าวของเงินทองก็ไม่แน่นอนบางทีก็อยู่กับเราบางทีก็ไม่อยู่กับเรา ได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปได้หมดได้หลายวิธีเราเอาไปใช้มันก็หมดได้ได้เงินทองมาถ้าไม่อยากให้มันหมดแล้วก็ต้องอยากไปใช้มันเท่านั้นถ้าไม่ใช้มันก็ไม่รู้จะไปหาเงินทองมาทำไมหาเงินทองมาเพื่อใช้มันเมื่อใช้มันมันก็ต้องหมดแต่ไม่อยากให้มันหมดมันก็เลยทุกข์กับเงินทอง นี่คือปัญหาของพวกเราเกิดจากความอยากของเราในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ไปอยากให้ของที่มันไม่เที่ยงมันเที่ยงไปอยากให้ของที่ไม่ใช่เป็นของเราให้เป็นของเราไปตลอดมันเป็นไม่ได้ของทุกอย่างที่เราได้มานี้มันเป็นเหมือนของยืมเข้ามาเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็ต้องคืนเขาไปร่างกายนี้ยืมเข้ามา เดี๋ยวก็ต้องคืนเข้าไปยืมมาจากอะไรยืมมาจากธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟนี่เองร่างกายนี้ทำด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเดี๋ยวเวลาร่างกายหยุดหายใจร่างกายมันก็กลายเป็นธาตุสี่กลายเป็นดินน้ำลมไฟไปคนตายนี่ลมไม่เข้าละลมมีแต่ออก ไฟก็ออกจากร่างกายไปร่างกายคนเป็นกับคนตายนี่ไปลองไปแตะดูสิไม่เหมือนกันคนเป็นนี่ยังมีความร้อนอยู่แต่คนตายนี่เย็นเฉียบไม่ต้องแช่ตัวเย็นก็เย็นคนตายนี่อุ่นจับแตะร่างกายเราจะรู้สึกอุ่นเพราะยังมีธาตุไฟอยู่แต่พอธาตุนมหยุดเข้ามา ร่างกายหยุดทำงานธาตุไปก็ถอนออกจากร่างกายไปก็เหลืออีกสองธาตุคือธาตุน้ำกับธาตุดินถ้าปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวธาตุน้ำก็ไหลออกมาไหลไปจนกระทั่งร่างกายแห้งกรอบไปแห้งกรอบแล้วก็ผุพังกลายเป็นดินไปนี่คือของที่เรายืมมา ของอย่างอื่นนอกจากร่างกายก็เหมือนกันพอร่างกายตายไปเราก็คืนของทุกอย่างที่เรายืมเข้ามามได้อะไรมานี้คืนเข้าไปหมดได้ภรรยาได้สามีก็ต้องคืนเข้าไปได้ลูกก็ต้องคืนเข้าไปได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆก็ต้องคืนเข้าไปหมดมเอาติดตัวไปไม่ได้ ไปได้แต่ดวงวิญญาณเอาไปได้แต่ตัวปเปล่าเปล่าดวงวิญญาณนี่แหละคือตัวเราของเราที่เรามาเรามามาเอาร่างกายแล้วเราก็ใช้ร่างกายไปหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราหาราบยศสารเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสผลพภะมาให้ความสุขกับเรา แต่ในที่สุดเราก็ต้องคืนเข้าไปหมดแต่เราไม่อยากคืนพอถึงเวลาจะต้องคืนก็เลยไม่สบายใจทุกใจกันความไม่สบายใจทุกใจเกิดจากความไม่อยากคืนของเข้าไปของที่เรายืมมาแต่ถ้าเรารู้แต่ต้นว่าของทุกอย่างที่เรามีนี้เราต้องคืนเข้าไปหมดนถ้าเรารู้แล้วเราพร้อมที่จะคืน เวลาที่เขามาทวงเราจะไม่รู้สึกสบายไม่สบายใจเหมือนกับเราไปยืมรถไปเช่ารถเข้ามานี่เรารู้เดี๋ยวเราต้องคืนเขาเพราะถึงเวลาเราก็ไปคืนเขาเราก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าเราไม่อยากจะคืนเขานี่เวลาเขามาทวงเราจะทุกข์ความทุกข์ไม่ใช่อยู่ที่ว่าเป็นของเราหรือไม่เป็นของเราเปนอยู่ที่ว่าเรา อย่าคืนเขาหรือไม่ยอมคืนเขาหรือไม่ยอมคืนเขาถ้าไม่ยอมคืนเวลาถูกทวงก็จะทุกข์แต่ถ้ายอมก็คืนเข้าไปก็ ไ, ปไม่ทุกข์นี่คือ พ, พระพุทธเจ้าของเราได้สองคนพบว่าความทุกข์ของเราอยู่ที่ความหวงเราได้อะไรมาแล้วเราไม่ยอมคืนเข้าไปเพราะเราลืมเราไม่รู้ว่าเป็นของยืมเข้ามา เราไม่รู้ว่าไม่ได้เป็นของเราเจ้าของเขาคือดินน้ำลมไฟเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ทำมาจากดินน้ำลมไฟทั้งนั้นบางอย่างถ้าเป็นของแข็งก็เป็นดินเช่นเครื่องใช้ไม้สอยที่เราใช้กันอยู่เนี่ยที่เราจับได้ด้วยมือเนี่ยก็เป็นของแข็งทำด้วยโลหะบ้างทำด้วยพลาสติกบ้าง ของเหล่านี้ทางาภาษาพระเราก็เรียกว่าธาตุดินของที่เป็นของแข็งนี่ก็เรียกว่าธาตุดินส่วนของที่เป็นของเห ล, ลวเราก็เรียกว่าธาตุน้ำํำของเหลวที่เราได้กันก็อะไรเครื่องดื่มต่างๆน้ำเดือมต่างๆที่เราดื่มกันเข้าไปทุกวันนี้อันนี้ก็เป็นธาตุน้ำํำส่วนธาตุลมก็คือลมหายใจเข้าออก ที่เราหายใจกันเข้าออกอยู่นี่ก็เป็นธาตุลมธาตุไฟเราก็ได้จากแสงจากพลังงานของดวงอาทิตย์ได้จากความร้อนของดวงอาทิตย์ตอนกลางวันอากาศก็ร้อนเราก็ได้ได้ความร้อนเข้าไปในร่างกายตอนกลางคืนอากาศเย็นความร้อนก็หายไปเราก็ต้องใช้ผ้าหม่หมห่มเพื่อรักษาความร้อนที่มีอยู่ในร่างกายอันนี้คือ เรื่องของทุกของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นธาตุทั้งสี่ทำมาจากธาตุทั้งสี่บางอย่างกับางอย่างก็มีส่วนผสมรวมกันเครื่องดื่ม บ, บางอย่างก็มีธาตุดินด้วยมีเนื้อมีอะไรก็เลือกส่วนที่เป็นแข็งของแข็ง ก็เรียกว่าธาตุดินส่วนที่เป็นของเหลวก็เรียกว่าธาตุน้ําน้ำเครื่องดื่มบางทียังมีธาตุลมผสมเข้าไปมีฟองใช่ไหมเครื่องดื่มที่มีฟองเขาอัดอะไรเข้าไปอัดนมใช่ไหมเก็จึงเรียกว่าน้ําอัดนมธาตุน้ําอัดด้วยธาตุลมเข้าไปก็เลยมีฟองเวลาดื่มแล้วรู้สึกมันซาในในคอ อันนี้ก็เป็นธาตุน้ํากับธาตุลมแล้วบางทียังมีเนื้ออะไรเนื้อส้มเนื้อผลไม้ใส่เข้าไปอกีกก็มีทั้งสามธาตุถ้าเอาไปต้มทําให้มันร้อนก็มีสี่ธาตุของต่างๆที่เราใช้กินใช้อะไรบริโภคใช้อุ ป, ปโภคบริโภคทั้งหมดนี่เป็นของดินน้ํำลมไฟทั้งนั้นเรายืมเข้ามาเราไปยืมธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟ มาเอามาใช้เอามาให้ความสุขกับเราแต่เราไม่รู้ว่าเราต้องคืนเข้าไปหมดร่างกายของเราก็ทำมาจากธาตุดินธาตุน้าธาตุลมธาตุไฟเดี๋ยวเราก็ต้องคืนเจ้าของเข้าไปไปดูคนตายเป็นตัวอย่างร่างกายของคนตายถ้าเอาไปเผาไฟมันก็เผาธาตุน้ำให้ละเหยกลายเป็นไอขึ้นไป ส่วนที่เหลือก็เป็นธาตุดินก็เป็นขี้เท่าไปหมดขี้เท่าก็คือดินนี่เ อ, เอาไปโรยไวโคนต้นไม้ก็กลายเป็นปุ๋ยไปอันนี้คือสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราไม่มีอะไรเป็นของเราเลยที่เราทุกข์ก็เพราะเราอยากให้สิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราเป็นของเรานั่นเองซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แล้วก็อยากให้สิ่งที่เป็นของเรา ไม่เสื่อมไม่เปลี่ยนแปลงอยากให้มันดีไปเรื่อยๆมันก็เป็นไม่ได้ของต่างๆที่เราซื้อมาเวลาออกซื้อมาใหม่ๆจากร้านนี่มันดีใช้ได้ดีทุกอย่างไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ทาไมใช้ไปสักระยะหนึ่งแล้วมันเริ่มมีปัญหาแล้วมันเสื่อมมันเปลี่ยนแปลงเรียกว่าอันนี้จัง คำว่าอันนี้จังแปลว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมันไม่เที่ยงพอมันไม่เที่ยงมันก็ทำให้เราทุกข์เพราะอะไรเพราะเราอยากให้มันเที่ยงนี่คือกิเลสตัณหาความอยากให้สิ่งที่ไม่เที่ยงมันเที่ยงก็เลยทุกข์อยากให้สิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราเป็นของเราก็ทุกข์พอไม่เป็นของเราก็ร้องห่มร้องไห้กัน พอเราเสียสิ่งที่เรารักไปเราก็ล่องหอม่มล่องไห้ากันความจริงเราคืนเจ้าของเขาไปเท่านั้นเองคืนกับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไป น, นี่คือความทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบถ้าอยากจะดับความทุกข์ก็ต้องมาดับที่ตรงนี้ มาหยุดความอยากของเราอยากไปอยากให้สิ่งที่ไม่เที่ยงมันเที่ยงเช่นอยากไปอยากให้ร่างกายที่มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายที่เราทุกขกันก็เพราะว่าเราไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากให้มันตายแต่ความอยากของเราหยุดมันได้หรือเปล่าหยุดไม่ได้อยากให้ไม่แก่มันก็แก่มัน หยุดให้มันไม่เจ็บไข้ได้อยากให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยของมันอยากให้มันไม่ตายมันก็ตายแล้วอยากไปทําไมอยากเราก็ทุกขไปเปล่าๆถ้าไม่อยากก็ไม่ทุกผลก็เหมือนเดิมคือร่างกายก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนเดิม แตต่างกันตรงที่ใจของเรานี้สุ ข, ข ức ức หรือทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเท่านั้นเองถ้ารู้ว่า เ, เราห้ามมันไม่ได้เราจะไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไปทำไมถ้าเรารู้ว่าความอยากของเราจะทำให้เราไม่สบายใจทำให้เราทุกข์ใจแล้วถ้าเราไม่มีความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราจะสบายใจ เราจะเลือกอย่างไหนเราจะเอาความไม่สบายใจเลือกความสบายใจเพราะว่าร่างกายก็ต้องเป็นเหมือนเดิมมันก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนเดิมแต่เราสามารถเลือกเลือกให้เราสบายใจหรือไม่สบายใจก็ได้ถ้าอยากไม่สบายใจก็อยากต่อไปอยากไม่แก่ต่อไปอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยต่อไป อยากไม่ตายต่อไปแล้วรับรองได้ว่าจะต้องไม่สบายใจอย่างแน่นอนในทางตรงกันข้ามถ้าไม่อยากถ้าไม่มีความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายรับรองได้ว่าใจจะไม่มีความไม่สบายใจใจจะเฉยเฉยจะไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายจะไม่เดือดร้อนกับการพัดภาคจากสิ่งต่างๆไป จะไม่เดือดร้อนกับการสูญเสียสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆไปใครจะไปก็ไปใครจะอยู่ก็อยู่อะไรจะอยู่กับเราก็อยู่ไปอะไรมันจะไปก็ปล่อยมันไปถ้าเราห้ามมันไม่ได้ถ้าเรายังห้ามได้ก็ห้ามก่อนก็ได้ของบางอย่างเรายังห้ามได้อยู่เราก็ห้ามเข้าของเงินทองถ้าเรารู้จักเก็บรู้จักรักษามันก็ยังอยู่กับเราได้อยู่ แต่พอถึงเวลาที่มันเก็บรักษาไว้ไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ไฟไหม้ขึ้นมาน้ำท่วมขึ้นมาพายุเข้ามาอย่างนี้เราก็ช่วยไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แต่เราจะไม่ทุกข์กับมันถ้าถ้าเรารู้ไว้ล่วงหน้าว่ามันจะต้องไปเพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเราเพราะว่ามันจะต้องเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลง จากดีไปเป็นไม่ดีส่วนใหญ่ไม่ดีจะกลับมาดีไม่ค่อยมีมีแต่ดีแล้วก็เป็นไม่ดีไปเราถึงต้องเปลี่ยนของอยู่เรื่อยๆพอของที่ดีมันไม่ดีเราก็โยนทิ้งถังขยะไปแล้วเราก็ไปหาของดีมาพอได้ของดีมาเดี๋ยวมันก็ไม่ดีอีกแล้วก็ต้องทิ้งมันไปของต่างๆที่เราได้มาแล้วทิ้งไปนี่มากมายกายกอง เพราะมันไม่เที่ยงนี้เองอร่างกายของเราก็เป็นอันหนึ่งและอันนี้เป็นสําคัญที่สุดเพราะพอหมดร่างกายแล้วหมดทุกอย่างเลยถ้ายังมีร่างกายยังหาของใหม่ๆได้อยู่ของที่มันหายไปหมดไปก็ยังหามาได้ถ้ามีร่างกายเช่นเงินหมดก็ไปหาเงินใหม่ได้แฟนหมดก็ไปหาแฟนใหม่ได้อของใช้หมดก็ยังไปหาใหม่ได้ ถ้ามีร่างกายแต่พอไม่มีร่างกายแล้วก็หมดแต่ก็ไม่หมดนานเดี๋ยวก็กลับมามีร่างกายอันใหม่เนี่ยเรากลับมาเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆไม่ต้องไปกลัวตายถ้าเรายังอยากจะอยู่ให้รู้ว่าเดี๋ยวเราก็กลับมาใหม่เอเดี๋ยวก็เดี๋ยวพอร่างกายนี้ตายไปเราก็ไปหาร่างกายอันใหม่ไปรอจากพ่อแม่คนใหม่ พอพ่ อ, พอแม่คนใหม่แต่งงานเดี๋ยวเราก็ได้ร่างกายอันใหม่แล้วแล้วพอได้ร่างกายอันใหม่เราก็มาใช้ร่างกายอันใหม่หาของต่างๆอย่างที่เราหากันอยู่ในขณะนี้แล้วเดี๋ยวเราก็ต้องทิ้งร่างกายไปทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปมันมันก็เป็นเรื่องของความทุกข์ของเรา เพราะเราคิดว่าเป็นวิธีหาความสุขของเรากันเราคิดว่าถ้าเรามีร่างกายเราก็จะได้ไปหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราแต่เราเห็นเพียงด้านเดียวเราเห็นด้านของความสุขที่เราจะได้จากสิ่งต่างๆจากร่างกายของเราแต่เราไม่เห็นอีกด้านหนึ่งคือความทุกข์ที่เราจะได้จากการสูญเสียสิ่งต่างๆจากการสูญเสียร่างกายของเราไป <Yeah. S 2> ชีวิตของเราจึงมีทั้งสองอย่างมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์และจะไม่มีวันที่จะสามารถกำจัดความทุกข์ให้หมดไปได้ถ้าเรายังต้องหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราอยู่วิธีเดียวที่จะทำให้เรากำจัดความทุกข์ไปให้หมดได้ <Yeah. S 2> ก็คือเราต้องไม่ไปมีอะไรไม่ต้องไปหาสิ่งต่างๆไม่ต้องมีร่างกายถึงจะสามารถ หยุดความทุกข์ได้นี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าส่งคนพบว่าเราต้องหยุดความอยากของเรากับทุกสิ่งทุกอย่างกับการอยากมีร่างกายกับการอยากมีตาหูจมูกลิ้นกายกับการอยากที่จะใช้ร่างกายไปหารูปเสียงกลิ่นรสพดทพะมาเสกมาสัมผัส อากการไปหาลาบยศสารเสรินมาเสกมาสัมผัสเนี่ยเพราะสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงมันหมดมันหมดได้มันเจริญแล้วมันเสื่อมได้เวลาเจริญมันก็ให้ความสุขกับเราเวลามันเสื่อมมันก็จะให้ความทุกข์กับเราถ้าเราไม่ต้องการมีมีความทุกข์เราก็ต้องไม่เอาความสุขด้วยการได้ความสุขนี่แหละเป็นตัวที่ทาให้เราทุกข์กัน วิธีที่เราจะเลิกไม่ให้เรามีสิ่งต่างๆได้พระพุทธเจ้าก็ทรงค้นพบว่าเราต้องหาวิธีสร้างความสุขแบบใหม่ขึ้นมายังมีความสุขอีกแบบหนึ่งที่เราไม่ต้องใช้ร่างกายที่เราไม่ต้องใช้ข้าวของเงินทองมาให้ความสุขกับเราถ้าเราได้ความสุขแบบใหม่เราก็จะเลิก หาความสุขแบบเก่าที่เรากำลังหากันอยู่ในขณะนี้ได้แล้วถ้าเราเลิกหาความสุขได้เราก็จะเลิกรับความทุกข์จากสิ่งเหล่านี้ได้เราก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปแต่ถ้าตราบใดเรายังต้องหาความสุขจากลาบยศสัจลอเสญจากรูปเสียงกลิ่นรสอย่างที่เรากาลังหากันอยู่นี้เราก็จะต้องเจอความทุกข์กันอยู่ทุกวันไม่มีเว้น แต่ละวันนี่ต้องมีความทุกข์มีความไม่สบายใจไม่กับเรื่องนั่นก็กับเรื่องนี้ไม่กับสิ่งนั่นก็กับสิ่งนี้ไม่กับคนนั่นก็กับคนนี้เพราะเราเลือกที่จะไปหาเขาเองเราเลือกที่จะไปมีเขาเพราะเราได้รับความสุขจากเขาแล้วในขณะเดียวกันเขาก็จะให้ความทุกข์กับเราแถมมาด้วยถ้าเราไม่ต้องการความทุกข์ที่แถมมา เราก็ต้องไม่เอาความสุขที่เขาให้เรามานี่คือปัญหาของพวกเราที่เราไม่รู้วิธีแก้เพราะเราคิดว่าสิ่งเทียมต่างที่เราได้มานี้จะให้ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียวไม่รู้ว่ามันจะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปพอเจอความทุกข์ก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจคิดไม่ออก คิดไม่เป็นว่าทำไมเราถึงต้องมาเศร้าโศกเสียใจ เ, ออเราต้องอาศัยคนที่คิดเป็นมาสอนเราคนที่คิดเป็นก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกความทุกข์ของเราเกิดจากความหลงของเราหลงที่ไปคิดว่าสิ่งต่างๆที่ให้ความสุขกับเรานี้จะให้ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียว เ, ออเราไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งที่เราหามานี้จะให้ความทุกข์กับเรา เราคิดว่าได้มาแล้วจะให้ความสุขกับเราแต่เราไม่รู้ความจริงของเขาว่าเดี๋ยวเขาจะต้องเปลี่ยนไปเดี๋ยวเขาจะต้องจากเราไปพอเขาเปลี่ยนไปเขาจากเราไปเวลานั้นความสุขที่ได้ก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราเห็นต่อไปเราก็ว่าไม่เอาดีกว่าเอาทำไมเอาความสุขมาเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมันก็กลายเป็นความทุกข์ สู้อยู่แบบไม่มีอะไรดีกว่าแต่จะอยู่แบบไม่มีอะไรได้เราต้องรู้จักวิธีสร้างความสุขขึ้นมาอีกแบบหนึ่งความสุขที่ไม่ต้องใช้อะไรมาให้มาทําให้เรามีความสุขะความสุขนี้ก็จากการมาปฏิบัติธรรมนี่มานั่งสมาธิมาทําใจให้สงบะถ้าเราทําใจให้สงบได้ เราจะได้พบกับความสุขอีกรูปแบบหนึ่งนที่เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้จากราบยศจารสญจากลูกเสียงกลิ่นรสต่างๆเพราะอะไรเพราะมันเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ติดมาด้วยนั่นเองนี่ถ้าเป็นหมูก็มีแต่เนื้อไม่มีมันติดมาเลยอมีแต่เนื้อรวนๆ ไม่มีความทุกข์ติดมาเลยความสุขที่ได้จากความสงบเครความสงบนี้เราสามารถผลิตขึ้นมาได้ตลอดเวลาเพราะเราไม่ต้องมีอะไรมาเป็นส่วนประกอบนั่นเองไม่เหมือนกับความสุขทางอื่นทางตาหูจมกูกลิ้นกายทางร่างกายเราต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสต้องมีคนนั่นคนนี้ต้องมีสิ่งนั่นสิ่งนี้ มาประกอบเราถึงจะได้ความสุขแต่สิ่งที่เราได้มาเดี๋ยวเขาก็จะต้องจากเราไปพอเขาจากเราไปหรือเขาเปลี่ยนไปก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาดังนั้นถ้าเราอยากจะกำจัดความทุกข์ต่างๆที่เรามีกันอยู่ในขณะนี้เราต้องเลิกหาความสุขแบบที่เราหากันอยู่เลิกหาความสุขจาก ข้าของเงินท้องเลิกหาความสุขจากคนนั้นคนนี้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วให้มาหาความสุขจากการทําใจให้สงบถ้าเราทําใจให้สงบแล้วเราก็จะมีความสุข tim. พอเรามีความสุขเราก็เลิกหาสิ่งนั้นสิ่งนี้หาคนนั้นคนนี้มาให้ความสุขกับเราได้เพราะความสุข ของที่เรามีอยู่นี้ดีกว่าความสุขที่เราได้จากคนนั้นคนนี้ได้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้นั่นเองนี่คือทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเรามาวัดกันมานั่งเฉยๆมาทำใจให้นิ่งให้สงบเพราะนี่แหละคือวิธีเข้าหาความสุขที่แท้จริงที่จะทำให้เราเลิกหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราได้ เลิกหาร่างกายมาเป็นเครื่องมือใช้ในการหาความสุขต่างๆได้ต่อไปเราก็จะไม่ต้องมีร่างกายไม่มีร่างกายเราก็สบายไม่ต้องคอยมาเลี้ยงดูร่างกายไม่ต้องมาห่วงมากังวลไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายไม่ต้องมาเหน็ดเหนื่อยกับการหาลาบยศสรรเสริญ หารูปเสียงกลิ่นลดผลสะพา้าหาได้แล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียเขาไปเดี๋ยวก็ต้องจากเราไปหรือไม่เช่นนั้นก็เปลี่ยนไปเสื่อมไปหมดไปใช้ไม่ได้นี่คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากการมาฟังเทศฟังธรรมเมื่อเราเรียนรู้แล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องนำออกไปปฏิบัติ ถ้าเราไม่ปฏิบัติเราก็ยังจะไม่ได้เราก็ยังจะต้องอยู่กับความทุกข์ต่อไปเพราะเรายัางจะต้องไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆ ต, ต่อไปเพราะเราอยู่เฉยๆโดยไม่มีความสุขไม่ได้นั่นเองเวลาเราอยู่เฉยๆไม่มีความสุขนี่เราจะรู้สึกเหงารู้สึกว่าวเวยเราจึงต้องไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาแก้เหงากัน มาแก้ความว้าเหวกันแต่ถ้าเราสามารถนั่งเฉยๆทำใจให้สงบได้เราจะได้ความสุขมาแก้ความเหงาแก้ความว้าเหวได้โดยที่เราไม่ต้องอาศัยอะไรมาเป็นมาเป็นเครื่องมือคือไม่ต้องอาศัยร่างกายไม่ต้องอาศัยคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาแก้เหงา ถ้าเรามีธรรมะเรายังต้องอาศัยธรรมะมาทำใจให้สงบตอนนี้เรานั่งยังไงก็ไม่สงบเพราะอะไรเพราะเราไม่มีธรรมะไม่มีธรรมที่มีอยู่ในใจเราผลิตเราต้องสร้างธรรมะขึ้นมาในใจเราธรรมะที่เราต้องสร้างก็คือสตินี่เองถ้าเรามีสติเราจะหยุดความคิดหยุดความอยากได้ ถ้าเปรียบเทียบความคิดเหมือนกับลิงสติก็เป็นเหมือนกับเชือกถ้าอยากจะให้ลิงมันอยู่เฉยๆเราก็ต้องเอาเชือกมัดมันไว้มัดมันไว้กับต้นไม้กับเสามันก็จะดิ้นไม่ได้ตอนนี้เรามีเชือกแต่มันเชือกยังไม่มีกำลังมากเป็นเหมือนเชือกกล้วยถ้าเราเชือกกล้วยไปมัดตัวลิงเดี๋ยวมันดิ้นปั๊บมันก็ขาด เรามีสติอยู่บ้างถ้าไม่มีสติเราจะนั่งเฉยๆอย่างนี้ไม่ได้เรานั่งเฉเราบังคับร่างกายให้นั่งเฉยๆได้แต่เรายังไม่สามารถบังคับใจให้นิให้หยุดคิดได้เพราะสติเรายังมีกำลังไม่มากพอถ้าเราอยากจะหยุดคิดเราต้องมาเสริมพลังของสติเพิ่มกำลังของสติให้มีมากขึ้น ด้วยการควบคุมใจไม่ให้มันคิดด้วยการอาศัยกรรมฐานที่เป็นตัวที่จะมาสร้างสติกรรมฐานนี้คืออารมณ์ที่เราจะใช้เป็นตัวมาสร้างสติตัวที่จะมาหยุดความคิดเช่นพพุทธทรีก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่ง ดูลมหายใจเข้าออกก็เป็นกรรมฐานอีกอย่างหนึง่งดูร่างกายดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึง่งที่เราสามารถที่จะเอามาใช้หยุดความคิดได้เครื่องมือเหล่านี้เราก็ต้องเลือกใช้ให้มันเหมาะกับโอกาสเช่นถ้าเรานั่งเฉยๆเราก็ต้องใช้ลมหายใจหรือใช้พุทธโธ เราก็จะหยุดความคิดได้ถ้าเราไม่ถ้าเราเคลื่อนไหวเราร่างกายกำลังทำงานทำอะไรอยู่ถ้าเราไม่อยากจะพุโทโธเราก็ดูลมดูการเคลื่อนไหวของร่างกายแทนการดูลมได้เหมือนกันดูลมหรือดูลมดูการเคลื่อนไหวก็แบบเดียวกันให้ดูเฉยๆนั่นเองให้ดูแล้วอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ ถ้าเราเฝ้าดูจริงๆเราจะไม่สามารถไปคิดเรื่องอื่นได้ใช่ไหมเวลาเราดูบอล น, นี่เราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ไหมดูบอลมันก็จะดูแต่ลูกบอลอย่างเดียวตอนนั้นเราก็มีสติเหมือนกันแต่เป็นสติที่ชั่วคราวชั่วขณะที่มีการเตะกันพอเลิกเตะเราก็ไม่มีสติแล้วนี่ยกตัวอย่างให้ฟัง ใจเราถ้ามีอะไรเกาะติดอยู่แล้วมันจะไปคิดเรื่องอื่นไหมไม่ได้มันจะไม่คิดเนี่ยถ้าเรากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยเราจะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้จะคิดได้เราก็ดึงกลับมาได้ถ้าเรารู้ว่ามันใจเราวอกแวกบางทีไม่ยอมอยู่กับเรื่องที่เราทำอยู่ก็มีเพราะอะไรเพราะเรื่องที่เรากำลังทำอยู่มันไม่มันเลยมันไม่สนุกใช่ไห ถ้าเล่นเกมนี่มันมันมันสนุกนี่มันไปคิดถึงข้าวไหมบางทีข้าวมันยังไม่หิวเลยแต่ถ้ามันไม่มันเนี่ยเดี๋ยวมันไปคิดถึงเรื่องอื่นล่ะเดี๋ยวก็ไปคิดถึงกาแฟคิดถึงเครื่องดื่มคิดถึงขนมล่ะเดี๋ยวก็ต้องหยุดพักเล่นนะเพราะเล่นแล้วมันไม่มันมันก็เลยต้องไปหาอย่างอื่นมาทําให้มันมันกว่าไปหาเครื่องดื่มมาเดิมมาหาขนมมากินเอ่ะมันมันกว่าเล่นเกม แต่ถ้าสิ่งที่เราเกาะติดอยู่เฝ้าดูอยู่นี่มันสนุกมันมั น, ม, นมันดุดดื่มจิตใจนี่มันลืมทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดเลยใช่ไหมเด็กๆที่เล่นเกมนี่ดื่มลืมโรงเรียนลืมบ้านลืมช่องไดนะ้บางทีเล่นจนถึงสว่างก็มีสมัยก่อนร้านเกมแถวบ้านอำเภอเนี่ยตอนเช้าออกไปเบนนบาทยังเห็นเด็กมันเล่นเกมกันอยูยนะ่นั่นแหละถ้ามันมีอะไรดุดด่มแล้วมันจะลืมทุกสิ่งทุกอย่างได้หมด จันได้ถ้าเราดูดดื่มกับพุโทโธดูดดื่มกับลมหายใจได้เราก็จะลืมทุกสิ่งทุกอย่างได้เราก็จะไม่คิดถึงอะไรได้ถ้าเราไม่คิดถึงอะไรใจเราก็จะว่างเพราะพุโทโธนี้มันไม่ต้องใช้ความคิดเหมือนกับการเล่นเกมการเล่นเกมการดูฟุตบอลมันยังใช้ความคิดอยู่คิดเชี่ยวเอ้เตะซ้ายเตะขวาอย่างงู้นอย่างนี้ยังต้องใช้ความคิดอยู่ แต่ถ้าใช้พุโทโธนี่มันไม่ต้องคิดอะไรพุโทโธไปอย่างเดียวหรือดูลมไปอย่างเดียวไม่ต้องคิดอะไรใจก็จะสงบเป็นสมาธิขึ้นมาอานี้ยกตัวอย่างให้ฟังความจริงเราก็มีสติบางเวลาถ้าเราดูอะไรที่เราชอบเราติดใจนี้จะสติจะเจาะอยู่กับเรื่องที่เราดูอยู่ดูหนังที่เราชอบหนังบูหนังอะไรนี่โอยดูติด ไปเลยลืมทุกสิ่งทุกอย่างเลยใครมาเรียกอะไรยังบางทีไม่ได้ยินเสียงเขาเรียกเลยดูอยู่กับสิ่งที่เรากำลังชอบฉะนั้นขอให้พวกเรามาชอบพุทธโธเถิดถ้าชอบพุทธโธได้ชอบดูลมได้ชอบดูร่างกายได้โอ้โหไปนิพพานได้ไม่ภายในเจ็ดวันนียสามารถดับความทุกข์ต่างๆได้หมดเลยถ้าเราดึงใจให้เราเกาะติดอยู่กับพุทธโธอย่างเดียว อยู่กับลมหายใจอย่างเดียวไม่อยากจะไปทาอะไรอยากจะพุโทโธอยากจะดูลมอยากจะนั่งเฉยๆดูลมโอ้ยเดี๋ยวไม่กี่วันจิตก็รวมเป็นสมาธิได้ตัดกิเลสตันหาความอยากต่างๆได้หมดเนี่ยไปนิพพานได้เจ็ดวันถ้าเราขอให้เราชอบกรรมฐานนั้นน่ะปัญหาคือเราไม่ชอบกรรมฐานกัน ให้อยู่กับลม ก, ก็ไม่อยู่ให้พุโทโธก็ได้สองคำสามคำก็ทิ้งมันแล้วก็เลยไปไม่ถึงไหนสักทียานั่งสมาธิยังไงก็ไม่สงบสักทีเพราะเราไม่ชอบกรรมฐานเราต้องมาหัดชอบกันเดีเพราะว่าเราวิธีที่จะทําให้เราชอบกรรมฐานก็คือเราต้องคิดถึงรางวัลที่เราจะได้รับจากการชอบกรรมฐานรางวัลก็คือเราจะสามารถ พบกับความสุขภายในใจคือความสงบแล้วจะทําให้เราเลิกหาสิ่งต่างๆที่มาสร้างความทุกข์ให้กับเราได้เอถ้าเรายังไม่สามารถมีความสุขในใจเราได้เรายังเลืิกไปหาสิ่งต่างๆมาให้ความทุกข์กับเราไม่ได้ทั้งๆที่เราคิดว่ามาให้ความสุขกับเรา แต่มันเป็นของคู่กันมันมาด้วยกันความสุขที่เราได้จากสิ่งต่างๆนั้นมันมีความทุกข์ติดมาด้วยเราจะต้องทุกข์กับมันไม่ช้าก็เร็วแต่ถ้าเราคิดว่าถ้าเราชอบพุทโธเราชอบดูลมชอบดูร่างกายชอบเฝ้าดูร่างกายเร า, เราจะได้ความสุขเวลาเรานั่งสมาธิได้ความสุขที่ดีกว่าความสุข ที่ได้จากสิ่งต่างๆว่ามันเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ติดตัวมาความสุขที่เราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาต่า อ, อไปร่างกายเราแก่เราเจ็บเราตายเราก็จะไม่ทุกข์เพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือให้คิดอย่างนี้แล้วเราอาจจะมาชอบกรรมฐานก็ได้ลองไปศึกษาดูกรรมฐานมีอยู่สี่สิบ มีไว้ใช้สำหรับแต่ละจริตแต่ละนิสัยหรือแล้วแต่วาระโอกาสแต่และคนนี้มีความชอบกรรมฐานไม่เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ที่ใช้ทั่วทั่วไปได้ทุกคนก็คือพุทโธกับการดูลมหายใจเข้าออกหรือการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายแต่ยังอื่นก็สามารถใช้แทนกันได้ลองกดมือถือดูกรรมฐานสี่เนี่ย เดี๋ยวจะโผล่ขึ้นมาให้เรารู้นี่คืออารมณ์ต่างๆที่เราจะเอามาใช้ในการที่จะทําให้ใจเรามีสติทําให้ใจเราสงบทําให้ใจเรานิ่งทําให้ใจเรามีความสุขนี่แหลกะกรรมฐานนี่มีคุณค่ายิ่งกว่าเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านเพราะอะไรเพราะเงินทองร้อยล้านพันล้านไม่สามารถทําใจให้เราสงบได้ กลับทำให้ใจเราวุ่นวายมากขึ้นไปเสียเองเพราะมีเงินแล้วก็ต้องวุ่นวายกับการดูแลรักษาวุ่นวายกับการใช้ใจ่ายจะไปใช้ที่ไหนดีจะซื้ออะไรดีนับจะเก็บทุนไหนดีมันเดี๋ยววุ่นวายไปหมดเดี๋ยวก็กลัวหายบ้างกลัวถูกคนมาหลอกมาโกงไปบ้างแทนที่จะมีความสุขกับเงินทองกลับมาวุ่นวายกับเงินทอง แต่การมีกรรมฐานนี่ทําให้ใจเราสงบทําให้ใจเราสบายแต่เรากลับไม่รู้จักคุณค่าของกรรมฐานเกรรมฐานสี่สิบเนี่ยจําไว้อันนี้แหละเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธเราไม่รู้จักกันว่านี่แหละคือสมบัติที่แท้จริงส่วนอื่นก็เป็นสมบัติแต่เป็นสมบัติย่อยเช่นบุญ บุญกุศลทำบุญทำทานรักษาศีลอันนี้เรียกว่าเป็นบุญส่วนย่อยเป็นสมบัติส่วนย่อยถ้าเป็นเป็นพวกเพชรพลอยก็เป็นพวกพลอยไม่ใช่เป็นพวกเพชรพวกเพชรนี่คือกรรมฐานเพชรน้ำหนึ่งเพชรน้ำเอกเนี่ย คือกรรมฐานส่วนศีลส่วนการทำบุญทาทานนี้เป็นพวกพลอยเป็นพวกอะไรหยกพวกอะไรต่างๆอัญญามณีต่างๆแต่อัญญามณีที่มีคุณค่าราคามากที่สุดก็คือเพชรเพช ร, พชรน้ำหนึ่งคือกรรมฐานสี่สิบเนี่ยขอให้เรารู้จักเพชรน้ำหนึ่งของาศาสนาคือกรรมฐานสี่สิบ ให้เราเข้าไปขุดหาเพชรในกรรมฐานสี่สิบนี้เลือกเอามีอยู่สี่สิบแบ่งเป็นแบ่งเป็นเป็นเป็นโซนเป็นกลุ่มกลุ่มแรกเรียกว่าอนุสติสิบอนุสติก็คือให้เราลำลึกถึงสิ่งนั้นสิกรรมฐานนั้นเช่นพุทธานุสตินี่ก็เป็นอนุสติหนึ่งเราเลึกถึงพระพุทธเจ้า เช่นระลึกชื่อของพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าเป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งอนุสติอันที่สองก็คือธรรมานุสติระลึกถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นฟังเทศฟังธรรมตอนนี้ก็สแสดงว่าเรากำลังจะเริญนธรรมานุสติกันนะหรือถ้าเราอยู่คนเดียวเราไม่อยากจะคิดเราก็ใช ธรรมโมธ ร, รมโมไปก็ได้ท่องธรรมโมไปหรือจะสวดสวาขาโตภักวตาธรรมโมสันทิทิโกอากาลิโกอย่างนี้ก็เรียกว่าเรากำลังเจริญธรรมานุสติจะสังขานุสติก็เราเลึกถึงครูบาอาจารย์พระอริยสงฆ์ที่เราเคารพนับถือหลวงปู่องค์นั้นหลวงปู่องค์นี้ โดยจะระลึกถึงชื่อของท่านก็สังโคสังโคไปโดยจะระลึกถึงคุณสมบัติของท่านก็สวดสุปฏิปันโนไปอุชุปไปอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเจริญสังขานุสติอนุสติมีอยู่สิบอาณาปณะสติก็อยู่ในกลุ่มนุสตินี้ให้ระลึกถึงลมหายใจเข้าออกการยากตาสติก็ให้ระลึกถึงการเคลื่อนไหวของร่างกาย ร่างกายกําลังทําอะไรก็ดูมันไปอย่าจดจอ่อเหมือนกับดูนักฟุตบอลกําลังเตะบอลเนี่ยเรากำลองเวลาดูนักฟุตบอลเตะบอลแล้วก็องดูกายะคาตาสติอยู่ดูร่างกายของนักบอล น, นักฟุตบอลที่กําลังวิ่งไล่เตะบอลกันอยู่อันนี้ก็เรียกว่ากายะคตาสติเพียงแต่ว่ามันเป็นสติที่ทําให้ใจฟุง้งมันไม่ทําให้ใจสงบ พอเราไปคิดว่ามันเตะไม่ดีเตะไม่ถูกวิภากวิจารณ์ดีไม่ดีโกรธมันเสียใจไปกับมันถ้าจะเป็นกายกะกตาสติที่ถูกต้องดูเฉยเฉยดูแล้วไม่โกรธดูแล้วไม่ยินดียินร้ายดูแล้วเฉยเฉยถึงจะเรียกว่าเป็นกายกะกตาสติที่ถูกที่เราดูร่างกายแล้วเราจะไม่โกรธมันใช่ไหมเดินมันเดินแล้วก็ดูมันเดินมันทําอะไรเราก็ดูมันทําไปอย่างนี้เราไม่โกรธไม่มีอารมณ์ใส่มัน นอกจากอนุสติสิบแล้วยังมีกระสินสิบนะกระสินสิบก็ให้เรานึกถึงสีต่างๆสีก็มีอยู่สีสีสีเขียวสีสีเหลืองสีแดงสีขาวแล้วก็มีอย่างอื่นอีกจำไม่ได้ใน ธาตุสีให้เราเลอกถึงธาตุสีก็เป็นกสินธาตุดินก็ให้เรานึกถึงดินหลับตาแล้วก็มองไปในใจสร้างให้มันเห็นแต่ดินอย่างเดียว้าตุน้าก็ชอบน้าก็ใช้ธาตุน้ําเป็นกสินได้ถ้าชอบชอบลมก็นึกถึงลมไปถ้าชอบไฟก็นึกถึงไฟไป อันนี้เป็นกสินสิบแล้วมีอสุภาสิตออสุภาสิบนี้ก็เป็นกรรมฐานเด็ดสุดยอดแต่ไม่ค่อยมีคนชอบกันเป็นเพชรน้ำหนึ่งออสุภาสิบก็คือซากศพสิบ สิบชนิดด้วยกันศพตายใหม่ศพตายสามวันศพขึ้นอื่นศพพองเขียวช้ำศพที่อวัยวะแตกกระจายออกมาศพที่แขนขากระจายออกไปตามทิศ ต, ต่างๆศพที่มีแรงกามากัดมากินศพที่แห้งกรอบเหลือแต่โครงกระดูกอันนี้คือลักษณะของอสุภะสิบ อันนี้ก็เป็นกรรมฐานถ้าเราเพ่งเราพิจารณาอยู่กับอสุภะใจเราก็นิ่งสงบได้เหมือนดูฟุตบอลเนดูร่างกายดูวสุภะนี่ก็เหมือนดูฟุตบอลดูความเสื่อมของร่างกายหลังจากที่มันหมดลมหายใจไปแล้วดูแล้วจะทำให้ใจเราสงบแต่ใหม่ๆถ้าเราเป็นคนใจใจอ่อนนี่ดูไม่ได้สติยังมีกำลังไม่พอ สู้กิเลสไม่ได้กิเลสมันจะปฏิเสธมันจะไม่ชอบมันจะทำให้เรารู้สึกอึดอัดไม่สบายใจหดหูใจบางคนไปดูศพนี้ถึงกับอาเจียนออกมาก็มีสแสดงว่าสติยังมีกำลังไม่พอใช้กรรมฐานแบบนี้ไม่ได้ต้องไปใช้กรรมฐานที่ไม่มีไม่มีปฏิกิริยาเช่นดูลมไปก่อนพุโทโธไปก่อนอ ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปก่อนแต่ต่อไปหลังจากที่ร่างกายเราหลังจากที่เรามีความสงบพอแล้วต่อไปเราจะสามารถดูอสุภาษิตได้ดูแล้วใจเราจะแทนที่จะแทนที่เราจะมีอาการอะไรเรากลับจะยิ่งสงบขึ้นเพราะดูอสุภาแล้วมันจะทําให้กิเลสมันหดตัวความฟุ้งซ่านความ แล้วความอะไรต่างๆความเหิมเกิมของกิเลสมันจะหดเข้าไปหมดพอมันเห็นสุภาถ้าเรายังไม่เห็นความตายนี้กิเลสมันจะเหิมเกริมมันคิดว่ามันจะเก่งมันอวดดีอวดเก่งแต่พอเราไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นโรคมะเร็งนี่ความเหิมเกิมมันจะหดเข้าไปทันที กเลนี่แหละเป็นตัวที่สร้างความวุ่นวายใจเราต้องอาศัยกรรมฐ า, านเหล่านี้มาทำใจให้สงบนะนี่คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากการที่เรามาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมสมัยนี้ไม่ต้องรอวันพระสามารถเข้าไปดูได้ทุกเวลานาที ข้อสาคัญขอให้เรามีความใฝ่ธรรมเท่านั้นเองถ้าไม่ใฝ่ธรรมแล้วก็ไม่มีวันที่จะเข้าถึงธรรมถึงแม้ว่าจะมีอยู่ในมือถืออยู่ในเอื้อมมือแต่ไม่เคยกดดูเลยธรรมะต่างๆนี้สามารถกดดูได้ในมือถือเราเรามีกรรมฐานมีทรัพย์ทรัพย์ชิ้นเอกของโลกอยู่ในมือถือเราเนี่ยแต่เราไม่เคยเข้าไปหาหมันเลย คือกรรมฐานสี่สิบเนี่ยวันนี้ลองขอเชิญชวนท่านที่มีมือถือทั้งหลายลองกดคำว่ากรรมฐานสี่สิบดูแล้วเข้าไปอ่านดูว่ามีอะไรบ้างแล้วลองเลือกดูว่าเอามาใช้กับเราได้อย่างไรบ้างเอาลองมาใช้ดูรับรองได้ว่าต่อไป เราจะสามารถควบคุมใจเราให้อยู่ในความสงบให้มีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องไปอาศัยร่างกายไม่ต้องไปอาศัยคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเราต่อไปเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกไม่ต้องมีร่างกายอีกต่อไปเวลาร่างกายตอนนี้แก่เจ็บตายเราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ต้องใช้มันแล้วเรามีกรรมฐานเป็นที่พึ่งแทน ตอนนี้เราพึ่งร่างกายเราต้องเปลี่ยนจากการพึ่งร่างกายมาพึ่งกรรมฐานกันพึ่งพุทโธกันพึ่งอนาปนสติกันพึ่งกายกตาสติหรือพึ่งอสุภะกันถ้าเราทำได้แล้วต่อไปเราไม่ต้องพึ่งร่างกายเวลาร่างกายแก่เจ็บตายเราก็จะไม่เดือดรอนเวลาร่างกายแก่เราก็พุทโธไปดูลมไปร่างกายจะตายเราก็ดูลมไปพุทโธไป ใจเราก็สงบมีความสุข น, นี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการที่เรามาศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าขอให้พวกท่านพยายามเข้าหาธรรมมากกันเพราะว่าเป็นการเข้าหาสิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์ต่อจิตใจเข้าหาสิ่งที่จะทำให้เราดับความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้ น่าได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรนต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้ผรอยัถาวาลิกวาหาปุราปาริปุเรนติสากลัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปปักปติอิทิตังปทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพโปรเตุจังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพิติโยวิวัชานตุ สัพพโรโควินาศสตุมาเตผวะตวันตรายุสุขีทีคายุโกภวาพิวัธนสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโรธรรมวะทานติอายุวันโอสุขังภาลัง วันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทาง a ฟ e b o o k เข้ามา422ย t u b บ203วิทยาลัยออนไลน์46รับฟังบนเขา51คนรวมทั้งหมด722ครับวันนี้เกินเจ็ดวันนี้เกินหกน ะ, ะใครมีคำถามตอนนี้ก็ถามได้ ใครอยากจะถามเดี๋ยวจะส่งไมโครโฟนไปให้อคุณผู้หญิงเมื่อกี้อยากจะถามอะไรใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวรับประคนไมโครโฟนไปใครอยากจะถามถามใต้ตอนนี้นะถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษเข้ามาก็ได้แต่อย่ารอถามหลังไม้นะเพราะไม่มีไม่มีเวลาตอบหลังไม่เดี๋ยวเลิกก็เลิกเลย พูดใกล้ๆปากหน่อยจะได้เสียงดังค่ะคือหนูสงสัยว่าถ้าคนเราอะค่ะมักจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับชีวิตสักอย่างแล้วเราก็จะมักโทษตัวเองโกรธตัวเองเอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สร้างความกดดันให้กับตัวเองค่ะหลวงพ่อพอจะมีคำแนะนำให้เรารู้เลิกที่จะเป็นคนกดดันตัวเองแล้วก็โทษตัวเองบ้างไหมคะ เราก็ต้องศึกษาดูว่ามันเป็นความผิดของใครไงถ้าการกระทําเกิดขึ้นเพราะความผิดของเราเราก็ควรจะตำหนิเราได้ว่าไม่ควรทําอย่างนี้สอนเราแต่อย่าไปโกรธไปเกลียดคือเราใช้เหตุผลสมมติเราทําอะไรผิดพลาดเพราะความเผลอสติของเราเราก็ต้องยอมรับผิดว่าเป็นความผิดของเรา การยอมรับผิดนี่เป็ น, ปนไม่ได้เป็นสิ่งเสียหายแต่เป็นคุณประโยชน์เพราะจะทำให้เรามีความระมัดระวังมากขึ้นต่อไปเราจะได้พยายามไม่ทำให้มันเสียหายเราต้องมีความระมัดระวังมีสติให้มากขึ้นให้ใช้เหตุผลวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นว่าเกิดจากใครถ้าเกิดจากคนอื่นก็เรื่องของเขาไปถ้าเกิดจากเราเราก็ควรจะ แก้ไขอย่าทำซ้ำแต่ไม่ต้องมาโกรธตัวเองรู้โกรธคนนั้นโกรธคนนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรอันนี้เราเปลี่ยนได้ต้องคอยสอนด้วยเหตุด้วยผลพอจะโกรธเราก็ถามว่าโกรธไปทำไมโกรแล้วได้อะไรมันผ่านไปแล้วเอามาศึกษาดูดีกว่าว่าเป็นความผิดของใครถ้าเป็นความผิดของเราเราก็ต้องแก้ไขอย่าไปทำอีก อย่างนี้ก็จะได้ประโยชน์อย่าใช้อารมณ์หัดใช้เหตุผลการที่จะไม่ใช้อารมณ์ได้ก็ต้องหัดฝึกสติให้มากๆทำใจให้มีความสงบถ้ามีสงบมากขึ้นเท่าไหร่อารมณ์ก็จะน้อยลงไปเหตุผลก็จะมีมากขึ้นไปงั้นเราต้องมาหัดฝึกสติกันให้ใจเย็ยนใจสงบ แล้วอารมณ์จะมันจะสงบตัวลงไปแล้วมันจะไม่ใช้อารมณ์โก <c oughs> รธลมลมรักบางทีเวลาทำอะไรถูกถ้ามีอารมณ์ก็ก็ชมตัวเองดีใจไปกับตัวเองคิดว่าตนเองเก่งเดี๋ยวพอทำอะไรผิดก็โทษตัวเองด่าตัวเองอันนี้เพราะเราเป็นคนเจ้าอารมณ์ เราต้องพยายามลดอารมณ์ลงด้วยการฝึกสติให้มีพุโทโธพุธโทโธอยู่ในใจอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาเกิดอารมณ์ก็อย่าเพิ่งไปคิดอะไรเอาพุโทโธพุธโทโธระงับอารมณ์ให้มันเย็นก่อนเวลามันโกรธเวลามันร้อนอย่าไปคิดยิ่งคิดยิ่งโกรธยิ่งร้อนให้มันเย็นก่อนแล้วค่อยมาคิดมาคิดด้วยเหตุผลว่าที่ทําไปนี้เพราะผิดเราทําผิดหรือใครทําผิดเนอ่ ถ้าเราทําผิดก็ต่อไปก็อยากไปทํามันอีกอ่ถามต่ออาจารย์ครับอ่าร่างกายเราประกอบด้วยธาตุดินร่างกายประกอบด้วยธาตุดินน้ําลมไฟแล้วธาตุรู้คืออะไรครับเราธาตุรู้ก็เป็นอีกธาตุหนึ่งเรียกใจเรื่องวิญ ญ, ญาณเนี่ยนเนี่ยร่างกายเราชีวิตเรามีห้าธาตุด้วยกันร่างกายสี่ธาตุรวมกันส่วนใจก็ เป็นเอกธาตุหนึ่งที่มาเกาะติดกับร่างกายแต่ไม่ได้เป็นส่วนของร่างกายเพียงแต่มามาใช้ร่างกายเป็นผู้รับใช้ธาตุรู้นี้เป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆธาตุรู้นี้มีความคิดมีความรู้สึกมีความจำได้หมายรู้มีมี มีการรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสผลทพะที่เข้ามาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่คือธาตรู้ธาตรู้เป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆธาตรู้เห็นรูปก็สั่งให้ร่างกายไปเอารูาาปรนั้นมาถ้าอยากได้ถ้าไม่อยากได้ก็สั่งให้ร่างกายเอารูปนั้นไปทิ้งนี่เกิดหน้าที่ของธาตรู้เป็นเจ้านายเป็นคนสั่งร่างกายที่เป็นทด้วยธาตุสี เป็นไต่ลักด้วยไหมครับเป็นไต่ลักด้วยไหมครับอ๋อมันไม่เป็นธาตุทั้งหมดมันไม่เป็นไต่ลักมันมันเป็นธาตุอยู่มันไม่มีวันเปลี่ยนน้ำก็เป็นน้ำลมก็เป็นลมไฟก็เป็นไฟดินก็เป็นดินธาตุรู้ก็เป็นธาตุรู้ธาตุทั้งห้านี้ไม่มีวันเปลี่ยนไม่มีวันสลายเพียงแต่ว่ามันชอบมารวมตัวกัน เป็นมนั้นมาสร้างบริษัทใหม่บริษัทดีแทกกับบริษัท AIS มารวมกันมาสร้างบริษัทใหม่แล้วเดี๋ยวบริษัทใหม่เจ๊งก็แยกกลับไป AIS ก็ยังอยู่ D ีแทกก็ยังอยู่เข้าใจไหพอธาตุสี่มารวมกับธาตุรู้มันก็มาสร้างร่างกายมาสร้างชีวิตมาสร้างมนุษย์มาสร้างสัตว์เดรัจฉานขึ้นมา แ้วเดี๋ยวพอมันแยกตัวกันบริษัทล้มน ล, ลายเจ๊งร่างกายตายธาตุน้ําก็กลับไปหาน้ำธาตุลมก็กลับไปหาลมธาตุไฟก็กลับไปสู่ธาตุไฟธาตุลูก็แยกตัวไปเป็นวิญญาณไปธาตุรู้ก็ไปไปรวมไปต่อบริษัทใหม่ไปตั้งบริษัทใหม่ไปได้ร่างกายอันใหม่ร่างกายนี้เป็นเหมือนบริษัทที่ธาตุทั้งห้ามาม า, มาลงขันกันมาสร้างกัน แล้วเดี๋ยวพอร่างกายมันเจ๊งมันจบมันก็แยกทางกันไปแล้วเดี๋ยวก็ไปรวมตัวกันใหม่ข้างหน้าแล้วตัวจิตยอยู่ตรงไหนครับก็เนี่ยไงตัวรู้ไงก็คือธาตุรู้เนี่ยเราใช้เราเรียกมันด้วยชื่อต่างๆแต่ตัวเดียวกันจิตบ้างใจบ้างวิญญาณบ้างเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นเป็นส่วนของจิตส่วนของธาตุรู้ทั้งนั้น จิตที่ถ้าเจริญพชันมากกลายเป็นตัวกลางนี้ก็จะยังเป็นในส่วนนี้อยู่ไหมครับก็ตัวนี้ถ้าพอมันไม่มีกิเลสมันก็ไม่ไปร่วงลงทุนกับใครนะพะรู้ลงทุนที่ไรก็เจ๊งทุกทีก็ไม่ลงทุนดีกว่าอยู่คนเดียวดีกว่ากินดอกเบี้ยดีกว่าอยู่เฉยดีกว่าไม่โลภดีกว่าก็นิพานไปถ้ารู้ที่ฉลาดรือว่าถ้าไปลงทุนที่ไรก็เจ๊งทุกที พอไปล ง, ลงทุนกับธาตุสีเมื่อไหร่ก็ต้องเจ๊งทุกทีมันจเจริญเดี๋ยวเดียวมันก็ต้องเจ๊งงั้นถ้ารู้ก็แล้วไม่เอาดีกว่ามาหาความสุขในตัวของมันเองดีกว่าถ้ารู้ที่ไม่รมู้ไม่รู้ว่าตัวเองมีความสุขก็เลยต้องไปลงทุนกับธาตุสีจะได้มีมีความสุขจากการใช้ธาตุสีเป็นเครื่องมือหาความสุข แต่ถ้ารู้ที่ฉลาดรู้ว่าให้กูไม่ต้องไปลงทุนกูก็มีความสุขได้กูเพียงแต่มานั่งเฉยๆทำใจให้สงบกูก็ไม่กูก็มีความสุขแล้วก็ไม่ต้องไปลงทุนไม่ต้องไปร่วมทุนกับธาตุสี่ก็ไม่ต้องมีร่างกายนี่คือพระพุทธเจ้าพระอราหันต์เนี่ยท่านเป็นธาตุรู้ที่ฉลาด รู้ว่าถ้าไปลงทุนกับท่าสีเมื่อไรก็ต้องต้องเจ๊งทุกทีไม่ลงทุนออไมาให้เหนื่อยกว่า อ, อยู่เฉยๆดีกว่าทาใจให้สงบดีกว่าได้ความสุขที่ดีกว่าจากการไปลงทุนได้กำไรมากกว่าเข้าใจยังเข้าใจครับอีกข้อหนึ่งครับในกรรมฐานมีทำไมไม่มีจิตตานนสติครับ อ๋อมันมันเป็นมันมีแต่เราไม่รู้คือมันมีหรือเปล่ารกรรมฐานสี่สิบคือจิตตาโนสติก็คือการดูดูการเปลี่ยนแปลงดูการเคลื่อนไหวของจิตมันคนละเรื่องกับกรรมฐา น, นเข้าใจไหมคือมันเป็นเรื่องของการศึกษาสอนใจที่หลงไปยึดไปติดกับจิตให้ปล่อยวางจิตมัน มัน ก, ก็ต้องใช้ใช้ไตรลักไต่ลักนี้ไม่รู้มันอยู่ในกรรมฐานสี่สิบหรือเปล่ามีหรือเปล่ามีอั น, นิจจังหรือเปล่า น, นี่อันนี้ไม่ไม่แน่ใจทำไมถามว่าถึงทาไมถึงไม่มีก็เพราะว่ามันไม่ไม่จาเป็นจะต้องมีมันเพราะว่ากรรมฐานนี่เป็นตัวที่ทำให้จิตสงบเป็นสมาธิเป็นหลักส่วน เรื่องของปัญญานี้เราต้องไปเจาะอีกทีหนึ่งอันนี้ไม่ได้อยู่ในกรรมฐานเป็นเรื่องของปัญญามันจะให้เราไปเห็นตายลักที่ี้กรรมฐานสี่สิบบางทีมันก็มีมีส่วนของปัญญาผสมอยู่ด้วย เ, เช่นเราดูาสุภะนี่มันก็มันก็เป็นปัญญาอย่างหนึ่งมันทำใหเ้เห็นว่าร่างกายนี้มันต่อไปมันต้องแยก กลายเป็นดินนม้มหนุมไฟไปอันนี้ก็เป็นทั้งปัญญาเป็นทั้งสมาธิกรรมฐานนี่บางอารมณ์บางกรรมฐานก็เป็นได้ทั้งสมาธิและเป็นได้ทั้งปัญญาแต่กรรมฐานที่ไม่มีจิตก็เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ละเอียดกว่าสติทั่วไปจะเข้าถึงได้ต้องต้องผ่านสมาธิก่อน ถึงจะเข้าถึงตัวจิตได้ทีนึงก็เลยไม่ได้ใส่ไปในกรรมฐานกรรมฐานเป็นตัวที่ทาให้ฝึกจิตให้สงบให้มีสมาธิเมื่อจิตมีความสงบมีสมาธิก็จะเห็นตัวจิตอีกทีหนึ่งอีกข้อหนึ่งครับในมรแปดสัมมาอาชิวพระไม่มีอาชีพทาไมมีสัมมาอาชวครับ อาชีพมันแล้วคือมังแปดนี้เราต้องเข้าใจว่าท่านสอนพระสอนนักบวชอาชีพของพระก็คือบินทบาทสัมมาชีโวไปบิณทบาททุกวันพระพุทธเจ้าสอนพระที่บวชให้ไปบินทบาททุกวันแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ทําเป็นตัวอย่างเป็นกิจวัตรประจําวันของพระพุทธเจ้าหนึ่งในพุทธกิจิคือการออกบินทบาทเป็นสัมมาชีโวของนักบวช ถ้าเป็นของญาติโยมผู้คลองเรือนก็ให้เป็นธ ร, รมอาชีพที่ไม่ไปสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นถ้าเราไปฆ่าสัตว์นี่เป็นอาชีพก็ไม่ใช่เป็นอาชีพที่เป็นสัมมาอาชีโวเพราะ mm. ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปทําให้ผู้อื่นเสียหาย mm. หเดือดร้อนแต่ถ้าเราเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นคน ทำอาหารขายอะไรนี่มันเป็นอาชีพที่ไม่ไปทําให้ใครเดือดร้อนเสียหายเ mm hmm. ยังต้องเข้าใจว่ามรรคแปดความเจงนี้ท่านสอนพระสอนนักบวช mm hmm. แต่บางทีเราไม่รู้เพราะว่าธรรมะนี่มันมีหลายระดับไงระดับนักบุญกับระดับนักบวชที่เราบางทีเราอยู่เป็นนักบุญอยู่เรายังไม่ได้เป็นนักบวชแต่เราไปเอาธรรมะของนักบวชมาใช้ก็เลยใช้ไม่ได้ mm hmm. mm hmm. แล้วในนิโรธกับมรคล้ายกันรวมกันได้ไหมครับคือนิโรธนี้มันเป็นผลของมรคเนี่ยนิโรธคือความดับทุกข์คำว่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการดับทุกข์แต่การดับเป็นการหยุดของความทุกข์เป็นการสิ้นสุดของความทุกข์ไปว่านิโรธไม่ใช่เป็นการกระบวนการในการทําให้ทุกข์ดับนี่คําว่าดับทุกข์บางทีฟังแล้วคิดว่าเป็นมรค มักเป็นตัวที่จะทําให้เกิดความดับทุกข์ขึ้นมามักเป็นเครื่องมือเช่นสวิตไฟนี้เป็นเครื่องมืออยากจะปิดไฟก็ต้องไปปิดที่สวิตไฟเอพอปิดสวิตไฟไฟก็ดับไฟดับที่เราเรียกว่านิโรธการดับของไฟเป็นนิโรธไฟดับแต่ผู้ที่ดับไฟคือสวิตไฟมักคือสวิตเราต้องมีศีลสมาธิปัญญา ถึงจะดับความทุกข์ได้ <Yeah. S 1> พอมีศีลสมาธิปัญญาความทุกข์ที่มีอยู่ในใจก็จะดับไป <Yeah. S 1> งนั้นคำว่านิโรธก็คือต้องคิดยังไงแปลว่าความทุกข์หายไปดีกว่า <Yeah. S 1> การหายไปของความทุกข์นิโรธก็คือตายคําว่านิโรธคือความทุกข์ตายไปทุกข์จะตายไปได้ก็ต้องตายด้วยมรรค นี่คำบางทีเราพูดคำว่าดับทุกข์ก็เลยไปฟังคิดว่าเป็นมรรคมรรคเป็นเครื่องมือดับทุกข์แต่นี่รู้ว่าเป็นเป็นเป็นการดับของความทุกข์บางทีฟังภาษาแล้วมันสับสนสถูกครับนี่เข้าใจแนละ้วอยากจะให้สิ้นทุกข์อะสิ้นทุกข์ดีกว่าไม่ดับทุกข์ก็ได้การสิ้นทุกข์เกิดจากการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญา สีนสมรารถที่ปัญญาเป็นทางสู่การสิ้นทุกข์สู่การหลุดพ้นจากความทุกข์นิโรธคือการหลุดพ้นจากความทุกข์มรรคคือทางที่จะนําไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์นี่ถ้าเราพูดเป็นทุกข์สมุทยัยมรรคนิโรธก็ได้แต่ก็อย่าไปสนใจเลยขั้นตอนมันมันส่วนใหญ่ท่านก็สแสดงมาอย่างนี้เราก็ว่าไปอย่างนี้ตามทุกข์สมุทัทยนิโรธมรรค ท่านจะแสดงผลก่อนแล้วถึงจะบอกเหตุอริยสัจสีนี่มันเป็นสองคู่คู่หนึ่งเป็นคู่สร้างปัญหาอีกคู่หนึ่งเป็นผู้มาแก้ปัญหาทุกสมุทัยนี้เป็นผู้สร้างปัญหาสมุทัยเป็นตัวสร้างปัญหาคือสร้างความทุกข์แล้วมรรคนี้เป็นตัวแก้ปัญหาทำให้ทุกข์สิ้นไปหลุดหมไป ถ้าไม่มีมัค ก, ก็จะไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้มัคที่เราใช้กันเป็นมัคที่ไม่แก้ปัญหาอย่างถาวรเราแก้ปัญหาด้วยการหาความสุขมาแก้แต่ความสุขที่เรามาแก้มันเป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วก็หมดไปเดี๋ยวความทุกข์ที่เรามาแก้มันก็กลับมาใหม่ยึงไม่ใช่เป็นมัค มักทีแท่แท้จริงต้องเป็นศีลสมาธิปัญญาแต่เรามักของเราก็คือลาบยศสรรเสริญกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราจึงไม่เคยแก้ความทุกข์ได้เสียทีแก้ได้เดียวเดียวเวลาได้เงินทองมาก็ดีอกดีใจความทุกข์หายไปหมดเลยเดี๋ยวพอเงินทองหมดความทุกข์ก็กลับมาใหม่สาธุครับหมดแล้วครับ มีใครอยากจะถามอีกไหมไม่มีก็เอาใครที่ส่งเข้ามามีข้อความส่งเข้ามาหรือเปล่ามีครับคำถามจากคุณมงคลครับขอกราบนมัสการถามครับคำว่ากรรมหมายถึงกรรมที่บุคคล น, นั้นๆได้ก่อขึ้นมา และจะขออโหสิกรรมในกรรมที่ได้ก่อขึ้นมาให้หมดไปได้หรือไม่ขอรับ อ, อยู่ที่คนที่เรามีปัญหาด้วยไงถ้าเขาจองเวรจองกรรมเราเราอยากจะให้เขาเลิกจองเวรจองกรรมเราเราก็ต้องไปคุยเขาดูเลว่าจะเอาอะไรถ้าเราเป็นหนี้เขาเขาก็อยากจะขอเอาเอาเงินที่เรายืมเ็าคืนเขาไป ถ้าเราคืนเงินเข้าไปเขาก็าไม่มายุ่งกับเราแล้วใช่ไหมที่ก็ยังต้องมายุ่งกับเรากเพราะเราไม่ยอมคืนเงินที่เรายืมเข้าไปเสียทีมันก็เลยยังเป็นเวรเป็นกรรมกันอยู่ก็ต้องไปปรึกษาขอการขอโอโหสิขอได้แต่ผู้จะให้โอโหสินี้อยู่ที่เงื่อนไขว่าเขาพอใจหรือไม่เช่นไป ช, ชนรถเขาพังอย่างนี้ยถ้าจะเศร้าไม่เขาเขาบอกไม่เอาถ้าเปลี่ยนรถใหม่ให้เขาเขาเอ า, อ ย, าอย่างนี้ก็อยู่ที่ต้องคุยกัน ว่าเขาต้องการอะไรถ้าเขาได้สิ่งที่เขาต้องการเขาก็เอาโหสิให้กับเราได้ไม่ใช่ไปตีหัวเขาแล้วก็ไปขอโทษเขาโอ้ยขอโทษเมื่อกี้ผมโมโหผมเลยขอตีหัวคุณแล้วตอนนี้ผมขอโทษขอให้คุณยกโทษนี่คุณจะยกโทษให้ผมหรือเปล่าแต่ถ้าบอกเอ้าเดี๋ยวผมจะจ่ายคนหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งนี้อ่ะอย่างนี้โอเคหายโกรธเลยใช่ อถ้าต้องการให้เขาโหสิก็ต้องไปถามเขาว่าทําอย่างไรเขาต้องการอะไรถ้าเขาได้สิ่งที่เขาต้องการแล้วเขาก็โหสิถ้าเขาบอกเขาไม่ต้องการเงินเขาอยากจะตีหัวเราอะก็ตียอมให้เขาตีเออมันก็จะได้จบบดเวรหมดกรรมกันไป้ตไปแลว ตายไปแล้วก็ช่วยไม่ได้ก็ต้องไปเจอกันข้างหน้าเดี๋ยวมันก็ต้องเจอกันข้างหน้าคู้เวรกู้กรรมมันไม่หมดอะ่ะพอเจอกันเมื่อไหร่มีปัญหากันเมื่อไหร่ก็คุยกันใหม่ได้ว่าพี่ต้องการอะไรผมทำอะไรเสียหายพี่ไม่พอใจอะไรก็นี่แหละเป็นวิธีต้องยอมต้องยอมเขาต้องการอะไรก็ให้เขาไปแล้วเขาพอเขาได้สิ่งที่เขาต้องการจากเราแล้วเขาก็ไม่มายุ่งกับเราอีกต่อไป คำถามจากคุณเอมี่กราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะนั่งสมาธิจนไม่รู้สึกปวดเมื่อยหรือเหน็บชาแล้วทุกวันนี้นั่งได้ต่อเนื่องสามชั่วโมงแล้วต้องปฏิบัติยังไงต่อไปคะก็นั่งให้มันบ่อยๆนั่งให้มันชำนาญให้มันเข้าสมาธิได้ทุกครั้งทุกเวลาที่ต้องการ พอเราชำนาญแล้วขั้นต่อไปเวลาไม่ได้เข้าสมาธิก็ให้มาคิดทางปัญญาคิดว่าร่างกายของเราไม่เที่ยง เ, ออเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ใช่ของเราเป็นของดินน้ำลมไฟเดี๋ยวต้องคืนดินน้ำลมไฟไปคิดอยู่บ่อยๆคิดจนกระทั่งปล่อยวางร่างกายได้ไม่เสียดายไม่กลัวร่างกายไม่กลัวความตายของร่างกายไม่กลัวความแก่ของร่างกายส่วนความเจ็บของร่างกาย ก็ต้องนั่งแบบนั่งแล้วให้มันเจ็บนั่งแล้วพอมันเจ็บก็อย่าไปลุกสอนใจว่านี่คือความเจ็บของร่างกายที่เราห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้เช่นเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะไปสั่งให้มันหายหายไม่ได้จะไปขยับร่างกายยังไงมันก็หายไม่ได้แต่เราไม่ทุกข์กับมันได้ถ้าเราทำใจของเราเฉยเฉยอย่าไปอยากให้มันหายอย่าไปอยาก หนีจากมันเอตอนที่เรานั่งสมาธิเรายัางหนีมันได้พอมันเจ็บแล้วขยับแข้งขยับขามันก็หายแต่ต่อไปเวลามันเจ็บจริงๆมันจะไม่หายถ้าเราอยากจะไม่ทุกข์เราก็ต้องหัดอยู่กับมันไปอยู่กับความเจ็บไปมันเจ็บก็มันก็ปล่ไยมันเจ็บไปเราก็เฉยเฉยไปดูเฉยเฉยไป เมื่อถ้ามันไม่ยอมเฉยเราก็ต้องใช้สติหยุดมันให้มันพุโทโธพุโทโธถ้ามันอยากให้หายอยากจะลุกก็อย่าไปให้มันลุกเราก็พุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆให้ใจนิ่งๆเฉยๆไม่อยากอะไรแล้วต่อไปเราก็จะรู้จักวิธีอยู่กับความเจ็บของร่างกายได้อย่างสบายไม่เดือดร้อนกับความเจ็บในเวลานั่งสมาธิเวลาเจ็บอย่าไปลุกพุโทโธต่อไปดูลมต่อไป ทำใจให้เฉยๆปล่อยให้มันเจ็บไปอย่าไปให้มันอยากอย่าไปอยากให้มันหายมันไม่หายก็เรื่องของมันมันหายก็เรื่องของมันแล้วต่อไปเราจะปล่อยวางความเจ็บของร่างกายได้คำถามจากคุณยา น, านันต์กราบนมัสการพระอาจารย์นั่งดูลมหายใจจนจับลมหายใจไม่ได้เงียบสงบแล้วจะทาอย่างไรต่อ จะต้องดูอะไรต่อครับรู้เฉยๆไปรู้ว่าตอนนี้เงียบสงบไว้ให้มันเงียบไปเรื่อยๆแล้วคอยดูว่าเรามีความคิดหรือเปล่าถ้ามีความคิดก็ต้องหยุดความคิดหยุดความคิดที่ไปวิพาค์วิจารว่าตอนนี้ลมหมดแล้วหายไปหรือเปล่าจะตายหรือเปล่าอย่าปล่อยให้มันคิดหยุดมันให้รู้เฉยๆไปรู้ว่าตอนนี้ไม่มีลมรู้ตอนนี้มันว่างก็อยู่กับความว่างไป เดี๋ยวจิตมันก็จะวบลงไปนิ่งกว่าเดิมอีกคำถามจากคุณนิการขอพระอาจารย์โปรดขยายความคำว่าจิตดูจิตด้วยค่ะธรรมดาจิตเราไม่ชอบดูตัวเองไงชอบไปดูคนอื่นเนี้ยเราดูคนอื่นเมั้นดูจิตดูจิตก็ดึงจิตเข้ามาในสมาธิไง เราต้องดึงจิตกลับเข้ามาในสมาธิดึงจิตออกจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะถึงจะสามารถดูจิตได้ตอนนี้เราก็ดูได้แต่ดูได้เป็นแวบๆเวลาโกรธนี่เราก็ถ้าเราเห็นปั๊บนี่แสดงว่าเราเราดูจิตแล้วดูว่าตอนนี้เรากำลังโกรธหรือเราดูความคิดนี่ก็เป็นการดูจิตละดูว่าตอนนี้เรากำลังคิดอะไรคิดไม่ดี ก็หยุดคิดมันอย่างที่เมื่อกี้หนูบอกว่าชอบตำหนิตัวเองตอนนี้ต่อไปเราเห็นมันตำหนิตัวเองก็หยุดมันการดูจิตเพื่อให้เราควบคุมจิตถ้าจิตไปในทางที่ไม่ดีก็ต้องหยุดมันถ้าจิตโกรธก็ต้องหยุดมันจิตโลภก็ต้องหยุดมันจิตหลงก็ต้องหยุดมันแต่หยุดมันได้ก็ต้องมีสติมีปัญญาถึงจะหยุดมันได้ถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาเราก็หยุดมันไม่ได้อรู้ว่ามันโกรธแต่ก็ห้ามมันไม่ได้ รู้มันโลบ ก, ก็ห้ามันไม่ได้งั้นดูจิตแบบนี้ยังไม่มีประโยชน์ต้องหาเครื่องมือมาดูก่อนเหมือนจะไปจับลิงแต่ไม่มีเชือกไปจับมันก็อย่าไปจับมันดีกว่าจะวิ่งไล่มันยังไงก็ไม่ทันมันมันเร็วมันเร็วกว่าเราจิตนี้มันก็เก่งกว่าเราถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาที่พระเจ้าสอนเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะจับจิตได้หยุดจิตได้หยุดความโลภหยุดความโกรธหยุดความหลงได้ เปการดูจิตก็ให้เราดูอารมณ์ของเรานี่แหละดูความคิดของเราดูความโลภความโกรธความหลงของเราอันนี้เรียกว่าเป็นการดูจิตส่วนใหญ่เราชอบไปดูเสื้อผ้าดูกระเป๋าดูรองเท้าดูคนนั้นดูคนนี้ดูหนังดูละครอันนี้ไม่ใช่ดูจิต ถ้าดูจิตต้องดูอารมณ์ดูความโกรธความโลภความหลงความอยากต่างๆดูแล้วก็ต้องหยุดมันให้ได้ถึงจะเป็นประโยชน์ถ้าหยุดไม่ได้ก็อย่าดูไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมีคำถามเข้ามาแล้วมีครับนี่ข้างหลังข้างหลังนี่นมัสการเจ้าค่ะคืออยากถามว่า ณนะตอนนี้เหมือนเรามาอยู่จุดๆ จ, จุดที่เรามาปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมแล้วเราเหมือนมีความสุขแล้วเราเหมือนว่ามีเพื่อนๆหลายๆคนอย่างเงี้ยแล้วเราแบบเหมือนชอบชวนเขามาย้ายเขามาคิดเหมือนที่เราคิดอย่างเงี้ยจะบอกทุกครั้งว่าแนะนําให้มาที่นี่แบบมันเหมือนผิดไหมครับแบบไม่ผิดหรอกแต่เราต้องดูว่าทําได้หรือไม่ได้ต้องดูว่าเขาชอบอะไร เขาชอบสีเขียวเราไปบอกให้ซื้อเชือสีดําเขาก็ไม่เอาเราก็ต้องบอกเขาได้แต่เขาจะทําตามที่เราบอกหรือไม่นี่เป็นเรื่องของเขาเรา ม, มีหน้าที่บอกตรงนี้มีของดีอย่างนี้อย่างนี้นะแต่ถ้าเขาไม่เอาก็ช่วยไม่ได้ไม่ผิดเราบอกเขาได้แต่อย่าไปหวังว่าเขาจะต้องทําตามที่เราบอกเท่านั้นเองก็คือสามารถแนะนําได้เรื่อยๆที่พูดได้เพราะว่า บางว่าเขาจะราคาญก็หยุดเหมือนบางทีเขาเหมือนไปผิดจุดนะค่ะเหมือนเขาไม่มีความสุขอย่างที่อาจารย์บอกเขามีความสุขไม่ใช่แบบความสุขจริงๆใช่เขาหลงอยู่อะใช่ถ้าบอกได้แล้วก็เชื่อก็ดีเ <c oughs> ้าก็จะได้มาแต่แล้วก็ไม่เชื่อก็ ก, ก็ก็ต้องปล่อยไปก่อนอนานๆก็บอกก็อทีหนึ่งเพราะบางคนถ้าไปพูดซ้ําๆซากๆก็าๆาาาอาจจะโกรธเราก็ได้ต้องรู้จักประมาณรู้จักความพอดี <Okay. S 2> ไม่พูดเลยก็ไม่ดีไม่พูดเลยเขาก็ไม่รู้พูดมากเขาก็เบื่อเราต้องดูว่าเขายินดีหรือไม่ถ้าเขาไม่ยินดีก็พอละพูดครั้งเดียวก็พอไม่งั้นเดี๋ยวจะเสียเพื่อนอ่าไป คำถามจากคุณขวัญเวลานั่งสมาธิแล้วชอบปวดหัวมันเกิดจากอะไรเจ้าคะถ้าปวดหัวเฉพาะตอนนั่งสมาธิก็เกิดจากกิเลสกิเลสมันไม่ชอบนั่งเฉยๆมันชอบนั่งดูหนังดูละครถ้าดูละครไม่ปวดหัวนั่งสมาธิปวดหัวก็แสแดงว่าเป็นกิเลสตันหาความอยากอยากในรูปเสียงกลิ่นรส พอไปเจอสิ่งที่ไม่พอไม่พอไม่ได้ดูรูปเสียงกลิ่นรสให้ดูลมมันก็เบื่อมันก็ไม่อยากดูมันก็ปวดหัวขึ้นมาถ้าปวดหัวตลอดเวลาก็ต้องไปถามหมอถ้าดูหนังก็ปวดหัวดูอะไรก็ปวดหัวอย่างนี้แสดงว่ามันเป็นเรื่องของร่างกายแนละ้วไม่ใช่เป็นเรื่องของกิเลสคำถามจากคุณนาวินกราบนามัสการครับการปฏิบัติธรรมอยู่ในเพศคารวาต จะไปได้ช้ากว่าการอยู่เป็นพระไหมครับหรือว่าขึ้นอยู่กับแนวทางที่ปฏิบัติด้วยขอความเมตตาพระอาจารย์ครับก็ถ้าพูดโดยรวมเนี่ยเป็นพระมันเหมือนขึ้นทางด่วนถ้าเป็นค า, า, ารวะก็เหมือนอยู่ใต้ทางด่วนมันช้ามันใต้ทางด่วนมันมีเสียไฟแดงมีเล้วรถรถติดรถเสียมันก็ติดขัดไปกับเขาแต่ถ้าขึ้นทางด่วนมันก็ไม่มีอะไรมันก็ไปเร็ว อันนี้พูดโดยหลักแต่ไม่ได้หมายว่ารถขึ้นทางด่วนจะเร็วกว่ารถข้างล่างขึ้นไปแล้วรถเสียยางแตกเหมือนก็เหมือนก็ไปไม่ได้เหมือนกันงั้นเหมือนคนที่มาบวชถ้าไม่มาปฏิบัติมันก็ชู้คารว่าที่ไม่ได้บวชแต่ปฏิบัติมากกว่างั้นมันอยู่ที่ว่าอยู่ที่การปฏิบัติดีกว่าว่า เป็นใครปฏิบัติมากกว่ากันแต่ถ้าให้เลือกถ้าคนปฏิบัติด้วยกันสองคนถ้าปฏิบัติข้างล่างกับปฏิบัติข้างบนข้างบนมันต้องเร็วกว่าแต่ถ้าบวชแล้วไม่ปฏิบัติก็ เ, เหมือนกับไม่ได้บวชนะเพรานั้นมันไม่ได้อยู่ที่การบวชหรือไม่บวชนะแต่มันมันก็อยู่ด้วยแต่มันไม่ไม่ไม่ใช่หมายความว่ามันจะรับประกันว่าพอบวชแล้วจะปฏิบัติได้ บางคนบวชได้แล้วไม่ปฏิบัติเนี่ยพระในเมืองไทยเนี่ยที่บวชกันมากี่แสนคนเนี่ยไปลองไปสำรวจดูว่านั่งสมาธิกันได้กี่องค์ด้วยวันนึงท่านนั่งหลงลว ง, งพี่นั่งสมาธิกี่ชัว่วโมงลองไปสำรวจดูกับคารวะบางคนอาจจะนั่งมากกว่าพระที่บวชกันได้เพะฉนั้นเราต้องดูที่ตัวปฏิบตัวตัวปฏิบัติปริมาณของการปฏิบัติ แต่ละใช่ถ้าเป็นพระนี่มันมีเวลาปฏิบัติมากกว่าเวลาเป็นโยมเวลาเป็นโยมมันต้องไปทำมาหากินไปต้องยุ่งกับคนนั้นยุ่งกับคนนี้เวลาจะมานั่งสมาธิจริงๆอาจจะได้แค่ชั่วโมงสองชั่วโมงแต่ถ้าเป็นพระนี่มันนั่งได้ได้ทั้งวันทั้งคืนแต่อยู่ที่ว่ามีเวลาเราจะนั่งมันหรือเปล่าจะใช้มันหรือปเปล่าเี้ยคาถามจากคุณ simple life คิดอาคาตแขน แก่ด้วยฟังธรรมพิจารณาการตายก็ยังไม่หายไปจึงขอพระอาจารย์ชี้แนะด้วยเจ้าค่ะ อ, อ, อังคารพยาบาทนี่มันเกิดจากออความอยากของเราเราอยากให้เขาทำอะไรแล้วเขาไม่ทำให้เราเราก็ไปโกรธเขาไปเกลียดเขาฉะนั้นถ้าเราไม่อยากจะโกรธเกลียดใครเราก็อย่าไปอยากอย่าไปหวังอะไรจากใคร แล้วเราก็จะไม่ไปโกรธไปเกลียดเขาถ้าเราหวังไปพึ่งเขาเวลาเราไม่มีเงินไปขอเงินเขาได้ถ้าเกิดไปขอไม่ได้เราก็จะโกรธเขาเกลียดเขาขึ้นมาเง้นถ้าเราไม่อยากจะมีอาคาตพยาบาทเราก็อย่าไปหวังอะไรจากใครอย่าไปอยากได้อะไรจากใครแต่ถ้าโกรธแล้วเกลียดแล้ว ก, วก็ให้คิดว่ามันเป็นความโง่ของเราที่เราไปหวังไปอะไรจากเขาแล้วพอไม่ได้เราก็ไปโกรธเขา เราไปอาฆาตพยาบาทเขาก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเพราะมันทำให้ใจเราร้อนทำให้ใจเราทุกข์ไปเปล่าๆคนที่เขาคนที่เราอาฆาตพยาบาทเขาไม่รู้เรื่องก็นอนหลับสบายแต่เรากินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะเราอาฆาตพยาบาทเขาถ้าเราอยากจะสบายเราก็อย่าไปอาฆาตพยาบาทเขาอย่าไปหวังอะไรจากเขาต่อไปคิดเสียว่าเราโง่เองที่เราไปหวังดังต้องโทษตัวเราเองว่าเรา เราเป็นคนโง่ไปหวังอยากได้อะไรจากเขาเพราะเราไม่ได้จากเขาเราก็ไปอาฆาตพยาบาทเขาต่อไปอดี๋ยจะถามพระอาจารย์เกี่ยวกับการนั่งภาวนาค่ะคือนั่งไปสักครู่หนึ่งค่ะแล้วก็มันเหมือนลมหายใจมันจะหมดค่ะแล้วทีนี้หนูพยายามที่จะปล่อยให้มันหมดค่ะพระอาจารย์แต่ว่า มันมันไม่ได้ค่ะมันมันก็กลับมาดูลมหายใจต่อค่ะพระอาจารย์คืออยากขอคำแนะนำพระอาจารย์ว่าจะจะก้าวข้ามตรงนี้ไปไปอย่างไรดีเจ้าค่ะ ก็เห็นมีปัญหาอะไรก็ดูเฉยๆไปนั่นเองมันจะหมดก็หมดมันไม่หมดก็ไม่หมดก็รู้ดูตามความเป็นจริงไปนั่นเองอย่าไปยุ่งกับมันมันหมดก็ไม่ไม่ตายไม่ต้องกังวลค่ะมันไม่หมดก็ไม่ตายก็คือไม่จําเป็นต้องให้มันหมดใช่ไหมล้ะคะก็ไม่ต้องไปจําเป็นไม่ต้องบังคับหลมปล่อยมันไปมันไม่หมดก็ไม่หมดมันหมดก็หมดอ๋อสาธุค่ะให้รู้เฉยๆไม่ให้ไปคิดอะไร ไหคอยดูว่าดูลมแล้วก็ดูว่าเราคิดเรื่องอื่นหรือเปล่าถ้าคิดเรื่องอื่นก็ให้กลับมาดูลมอย่างเดียวอยากคิดเท่านั้นเองอยากคิดอย่าอยากอยากไปอยากให้ลมหมดอยากไปอยากให้ลมไม่หมดเนี่ยครับคำถามจากคุณโลลี่เบบี้กราบนามัสการ์คะ่ะขออนุญาตถามพระอาจารย์หนูเป็นคนที่คิดอะไรจะช้ามากๆ บางครั้งก็ฟุ้งซ่านไปเฉยๆค่ะเรียกได้ว่าเป็นผู้มีปัญญาน้อยไม่เฉลียวฉลาดเลยค่ะหนูจะฝึกตัวเองหรือพัฒนาตัวเองได้อย่างไรบ้างก็ส่วนหนึ่งก็ต้องฝึกสติฝึกสติเพื่อควบคุมความคิด <c oughs> เพื่อมันจะได้ไม่ไปฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องราวต่างๆพอเราครวบคุมความคิดได้ ขั้นต่อไปก็สอนให้มันคิดไปทางเหตุทางผลอย่าไปคิดด้วยอารมณ์ให้คิดตามเหตุตามผลว่าทําอย่างนี้ได้อย่างนั้นอย่าไปอะไรแบบมีอารมณ์คิดด้วยเหตุด้วยผลแล้วต่อไปก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาอย่าไปคิดตามความอยาก พอคิดตามความอยากเวลาไม่ได้ตามความอยากก็จะเสียใจจะโกรธถ้าคิดตามเหตุตามผลอถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้คิดอย่างนี้ถ้าได้ก็ได้อถ้าไม่ได้ก็พยายามใหม่เดี๋ยวก็ได้เองไม่ช้าก็เร็วก็ได้ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นให้หัดคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุมีผลสิ่งนี้เกิดขึ้นได้เพราะเกิดจากสิ่งนั้นเช่นข้าวจะ งอกงามขึ้นมาได้ก็ต้องปลูกถ้าปลูกข้าวแล้วเดี๋ยวต้นข้าวมันก็งอกขึ้นมารวงข้าวมันก็งอกออกมาให้คิดด้วยเหตุด้วยผลอย่าไปคิดด้วยอารมณ์ความอยากความเพ้อฝันอยากได้เนิ่นอยากได้นี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่พอไม่ได้ก็เสียอกเสียใจถ้าอยากได้อะไรก็ต้องไปศึกษาว่าเหตุที่ทำให้ได้นั้นเป็นอะไรแล้วก็ไปสร้างเหตุนั้นพอสร้างเหตุนั้นได้เดี๋ยวผลก็ตามมา คำถามสุดท้ายนะครับพอดีมันเป็นสองข้อครับครับคําถามจากคุณบาสครับคําถามที่หนึ่งพระไม่ลงปาติโมกันมีเหตุจําเป็นในพรรษาเพราะต้องเดินทางไปหาหมอเพื่อรักษาโรคพรรษาจ ะ, จะขาดไหมครับเไม่เกี่ยวกันลงปาติโมกไม่ลงปาติโมกไม่เกี่ยวกับการขาดพรรษาขาดพรรษาถ้าไปเกินเจ็ดวันแล้วไม่กลับมาก็ขาดพรรษา แต่การขาดพรรษานี้ไม่ได้หมายความว่าพรรษานั้นไม่ได้นับนะอายุพรรษายังอยู่เหตุดาวขาดพรรษาก็คือขัดกับคําสั่งของพระพุทธเจ้าที่ให้อยู่ที่เดียวเราก็จะมีโทษคือหนึ่งรับกรถินไม่ได้การอยู่จำพรรษาครบนี่จะมีอ น, นิสงฆ์ห้าข้อด้ยวยกันข้อใหญ่ๆก็คือเนี่ยไม่ให้รับกรถินถ้าถ้าอยู่ครบหถ้าอยู่ครบพรรษาก็มีสิทธิ์รับกรถินได้ แล้วก็มีิทธิ์อะไรพิเศษตามพระวินัยอีก4ี่ข้อที่ไม่เกี่ยวกับญาติโยมพูดไปญาติโยมก็ไม่เข้าใจก็เลยไม่ต้องพูดคำถามสุดท้ายครับและเวลาที่เดินทางไปสัตหะกรณียะเหตุจำเป็นมีโยมมาว่าพระว่าทำไมท่านไม่อยู่วัดในพรรษาคือโยมติเตียนพระจะมีวิธีทำอย่างไรไม่ให้จิตเราตกครับก็ เหมือนกับเขาไม่รู้ไงเขาไม่รู้เรื่องเขาเขาพูดไปตามความรู้สึกนึกคิดของเขาเรารู้เราจะไปตกต่ำได้ไงกิจเราตกต่ำเพราะเราอยากให้เขาอไม่ว่าเราเราก็อธิบายก็าฟังสิบอกโยมการอยู่จารนสานี้มีกรณียกเว้น ถ้ามีธุระภารกิจสำคัญก็ไปได้แต่ไปไม่เกินเจ็ดวันเดี๋ยวต่อมาก็ต้องกลับไปอยู่ต่อตอนนี้มีภารกิจต้องมารักษาพยาบาลเดี๋ยวพอครบเวลาก็จะกลับไปอยู่จังหรัดาต่ออธิบายแจ้งเขาทราบต่อไปเขาก็จะได้ไม่ว่าเราเขาก็จะเอาสาธุสาธุพระคุณเจ้าก็าผมผิดเองผมไม่รู้เรื่องรู้ราวใช่ไหม ญาติโยมางทีมาฟังไม่จบเลยบอกว่าพระอยู่ต้องอยู่จำพรรษาพอพระเห็น้าไปค้างแรงข้างนอกก็หาว่าพระแหกพรรษาแล้ว ม, มันมีกรณีที่อนุญาตพ่อแม่ป่วยไข้ไปดูแลได้กุประชาจารย์ไม่สบายไปดูแลได้ตัวเองไม่สบายก็ไปรักษาได้ญาติโยมนี่มนไปงานบุญก็ไปได้ ท่้นต้องไปอยู่ต่างจังหวัดญาติโยมอยู่อีกจังหวัดหนึ่งนิมนต์ไปงานบุญจะทำบุญครบรอบให้กับปู่ย่าตายายก็นิมนต์พระไปไปได้แต่ไม่ให้ไปเกินเจ็ดวันอันนี้ยังไปได้อยู่เข้าใจแล้วนะอย่าไปว่าพระนะบาปนะเพราะเพราะเราไม่รู้เรื่องของพระช่างหัวพระท่านเถอะอะไรชั่วช่างชีดีช่างสงปล่อปท่านไป ชันดีช่านชั่วก็เรื่องของท่านเน่ยเราบางทีเราไม่รู้เรื่องนะเราเราจะบาปกรรมไปปปล่าๆ เ, เสียั้นจะมันเราจะเสียปเปล่ า, าอาถ้าไม่เข้าใจไปถามท่านนาทำไมท่านถึงมาได้าถามได้ไม่ว่ากันแต่อย่าไปว่าถามไม่รู้เรื่องว่าทำไมท่านมาได้แล้วถ้าไม่แน่ใจก็ไปถามพระองค์อื่นว่าท่านตอบเหมือนกันหรือเปล่ า, าบางทีพระอาจจะหาหาคำตอบเข้าอ้างมาตอบก็ได้